อาจารย์ครับนมันสกัดครับผมธรรมสวัสดีอาจารย์ไฟมาทันนะครับอาจารย์ครับมาตัต่บ่ายสามลงอ๋อครับผมโอ้ยลุ้นอยู่พักหนึ่งแต่ก็คิดว่าคงจะมาทันนะครับพระอาจารย์ไม่น่าดับยาวขนาดนั้นครับครับผมพระอาจารย์เชิญได้เลยต้องการจะถามอะไรก็ว่า ครับอาจารย์ครับงั้นงั้นผมขอการถามคําถามแรกเช่นเคยนะครับเพื่อเป็นการเปิดรายการนะครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าปฏิบัติอย่างไรให้บรรลุธรรมครับอาจารย์เพราะว่าอันนี้คือเป้าหมายสูงสุดของการคอนเทนต์ในพระพุทธศาสนาครับขอเมตตาอาจารย์ครับปฏิบัติทำอย่างไรให้บรรลุธรรมครับผมก็เหมือนเรียนหนังสืออย่างไรให้จบเป็นแพทย์ได้แบบเดียวกันนะเรียนหนังสือให้ เรียนแพทย์เพื่อให้เป็นแพทย์ก็ต้องเรียนเต็มที่ใช่ไับ<ะ>จะไปแบ่งเวลาไปทํางานแล้วก็เรียนไปด้วยนี่ที่วจะจบไหมเรียนแค่สาวาทเทศอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันการการปฏิบัติธรรมก็เป็นการเรียนเรียนให้เป็นพระอาริยบุคคลเรียนให้เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิดาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระ ก็ต้องเรียนเต็มเต็มที่เต็มเวลาเหมือนกันไม่ใช่เอาแต่เฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาก็ขอไปทํางานหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าเป็นอย่างนั้นพระก็ไม่ต้องบวชกันที่บวชแล้วไม่มีอาชีพอะไรให้ทําก็เพราะว่าจะได้เวลามาปฏิบัติธรรมให้อย่างเต็มที่ถ้าพระต้องไปทํามากินเหวันยาโยงอย่างนี้ยบิญบาศไม่มีใครแสนบาทนีนะ้ก็ต้องไปทําอาชีพขายผักขาย อะไรอย่างนี้แล้วจะเวลามาปฏิบัติธรรมให้เป็นพระอริยบุคคลได้อย่างไรฉะนั <c oughs> ้นก็คือต้องปฏิบัติเต็มที่เต็มร้อยค <c oughs> ําว่าสุปฏิปันโนยปฏิบัติดีดีก็ต้องเต็มที่เต็มร้อย <c oughs> ถ้าเป็นนักเรียน <c oughs> ก็ต้องควรจะได้สี่จุดขึ้นไปเจดสี่จุดศูนย์อย่างนี้เรยว่าเรียนดี <c oughs> เรียนเก่ง ปฏิปันโนนะ่ยคำว่าสุปฏิปันโนมาความอะไนี้ต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละถึงจะสามารถบรรลุธรรมได้ก็พวกที่บรรลุธรรมเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนี้ก็เป็นพวกพระดังนั้ น, นถ้าดูดูประวัติของพระอริยบุคคลนัยมีหนึ่งเอร์เซอาจจะเป็นพวกที่เป็นกรณีพิเศษมีบา ร, รมีเก่ามาแล้วก็ จับตำราขึ้นมาป๊บก็เข้าใจไปสอบได้เลยตรงนี้เขาก็เป็นพวกที่มีภูมิเก่ามาติดตัวมาคาววาบางท่านเพียงฟังธรรมทั้งเดียวก็บรรลุบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เลยก็มีแต่เป็นกรณียกเว้นเป็นเป็นเรื่องที่มีน้อยมาก สรุปก็คต้องสุปฏิปันโนมชุปติปันโนยายาปิปันโนสามิจิปิปันโนการปฏิบัติสลักษณะสุปฏิปันโนปฏิบัติเต็มที่โมชุอันนี้ก็ปฏิบัติเพื่ออันนี้จำไม่ได้เอายายาปฏิปันโนก็ปฏิบัติ ที่เพื่อให้ได้เป้าหมายที่ต้องการคือการหลุดพ้นจากการความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้ปฏิบัติเพื่อลาบมิสาการะไม่ไดปฏิบัติเพื่อจะให้ได้ตำแหน่งสมัยนี้เ็ามีตำแหน่งร่อพระนะถ้าเรียนจบป ร, ริญญแล้วจะได้ตั้งให้เป็นเจ้าพระเจ้าคุณป ร, ริญญาเก้านี้ให้กาลังใจเขาแล้าให้กำลังใ จ, ใงใจแต่มันกลายเป็นเบ็นเป้าหมายจากการ เรียนเพื่อให้บรรลุเป็นพระอริยะกับเรียนเพื่อให้ได้เป็นพระเจ้าคุณอย่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นาสามีจิก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามตาําราตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนี่คือลักษณะของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับผม อาจารย์ครับอย่างนั้นผมขออนุญาตเอาคาถามจากเ พ, เพื่อนๆมาถามพระอาจารย์นะครับจากคุณอุสิรินภ า, าครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหากเราต้องใช้ชีวิตอย่างคาววะที่ต้องพบเจอสิ่งเร้าให้จิตใจดิ้นไปตามกิเลสจะมีอุบายอย่างไรให้เราระงับใจแล้วมุ่งมั่นกับการปฏิบัติต่อเนื่องได้คะก็ต้อง <c oughs> มีศีลเป็นตัวคอยอย่างน้อยเป็นกรอบไม่ให้เรา หลายประกากิเลสมากจนเกินไปสือะสินห้ากันแล้วถ้าวันไหนสะดวกว่างเือศสินแปดได้ก็เธอศสินแปดอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับรั้วกำแพงที่จะรักษาใจของเราไม่ให้กิเลสลาภาออกไปไกลจนเกินไปจนกลับมาไม่ได้ะั้นผู้ปฏิบัติก็ต้องไมีสีน ไม่เสบบาบายามุกเนี่อตอนเช่นสุรายาเมากาญพ น, นันเที่วเตะคบคนเกียรติค้านความเกียรตค้าแล้วคบคนชอบาบายามุกเป็นมิตรอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องอสร้างขึ้นมาในใจเราก่อนเมื่อเรามีศีลแล้วทีนี้เราก็จะได้ออมีเวลา ที่เราจะได้เอามาใช้กับการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาต่อไปแล้วเราก็จะสามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสต่างๆได้คําถามจากคุณวีนานเลกสกุลวัดครับกราบขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธิยังไงให้ออกสมาธิแล้วเราสามารถปล่อยวางไม่อยากอะไรอีกไม่ทุกข์ไม่ต้องการอะไรอีก ออการนั่งสมาธินี่มันต้องได้ผลมันถึงจะปล่อยวางได้จริงๆคือจิตต้องเข้าสู่อัปปนาสมาธิให้ได้โดยจิตรวมตัวเป็นหนึ่งสัตว์ตวัรู้เป็นเอกขัาตารงเป็นอุเบกขาเพราะนั้นจิตแม้แต่ร่างกายก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องด้วยจิตเนียออกจากร่างกายนขณนะนั้นจิตนิ่งสงบเต็มที่ กิเลสที่เคยมีอยู่ในใจนี้ถูกกำลังของสมาธินี้กดไว้ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้จิตในจิตนั้นจะเป็นจิตที่ไม่ทุกกับอะไรแต่ก็จะอยู่ได้ในระยะหนึ่งพอออกจากสมาธิมามันก็จะค่อยๆคลายไปหรือมันไม่ใช่ออกมาแล้วก็จะกลายเป็น แบบเหมือนตอนก่อนเข้าสมาธิมันก็มีอุเบกขามีความสงบมีความอิงในตัวของมันที่พอที่จะต้านกิเลสได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่นานมันก็จะหมดไปเหมือนกับน้ําเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเราออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งความเย็นของน้ามันก็จะหมดไป ถ้าเราอยากใช้หายใจของเราเย็นอีกเราก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิเช่นเดียวกันเวลาเอกจากสมาธิมาใหม่ๆนี่ใจจะไม่หิวไม่อยากอะไรไม่ทุกข์กับอะไรแต่พอสักระยะหนึ่งพอได้สัมผัสอะไรมากขึ้นกิเลสมันก็ร้อนขึ้นแรงขึ้นมันก็เริ่มอยากเริ่มทุกข์กับสิง่งต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิต่อ กลับไปทำใจให้เย็นให้สงบก่อนนี่นะนี่คือการส่วนใหญ่ที่นั่งสมาธิแล้วมันมันออกมาแล้วมันก็ร้อนทันทีเพราะว่ามันยังไม่มันไม่สงบมันมันยังเอาไม่เย็นมันนั่งได้แต่เวลาฉันไม่ได้ผลจากการนั่งสมาธิมันก็เลยเหมือนกับไม่ได้นั่งต้องนั่งให้ได้ผลนั่งให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ ครับ <c oughs> ผมคำถามจากคุณจารึกครั บ, ก, บกราบนบสการพระอาจารย์ขอเรียนถามค่ะว่าการทําที่ไม่ดีในลักษณะขาดความเมตตาแต่ไม่ผิดศีลเช่นแกล้งคนที่ไม่ชอบให้ได้รับความลำบากจะได้รับผลกรรมอย่างไรเป็นบาปหรือไม่คะก็ทําทอะไรกับใครก็ได้คือย่างนั้นกลับมาต่อไปไปแกล้งเขาต่อไปแล้วก็ต้องถูกคนหน่งเข้ามาแกล้งเราทําอะไรก็จะได้สิ่งนั้นกลับมา จี๊แกล้งก็ผิดศีลไหมครับอาจารย์ครับไปแกล้งเขานี่นครับกอจจ็อาจจะมีบางค น, นก็ผิดศีล ไ, ไป <laughs> มันเรื่องเบียดเบียนกันการแกลงเบียดเบียนกันสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอาจจะไม่ถึงขั้นที่จะว่าเป็นปาณาภิบาตก็ไม่ได้จะว่าเป็นการลักทรัพย์ของเขาก็ไม่ได้คมันก็เลยแต่ก็ถือว่าเป็นการกระทําที่ ขาดความเมตตาผมีความเมตตาย่อมไม่เปลีป่ยนแปลงูด <c oughs> แต่ผลของการกระทามีไม่มีทุกการกระทานี่มีผลกลับมาเหมือนตีปิงปองเนี่ยตีไปด้านไหนมันก็จะกลับมาด้านนั้นหาเา้วเป็นบูเมแรงเขาเรียก บ, บูมเมอแรงถ้าไม่อยากจะให้มีผลได้กลับมาผลไม่ดีกลับมาเราก็ อ, อยากทำสิ่งที่ไม่ดี อยากจะให้ผลที่ดีดกลับมาลราก็ทําแต่สิ่งที่ดีเรายิ้มให้เขาเขาก็ยิ้มให้เราใช่ไหมเราหน้าเบื่องใส่เขาเขาก็จะเบื่องใส่เราก็เห็นชาติชาติกันอยู่เราแกล้งเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาแกล้งเรานี่ไหครับใช่ครับคําถามจากคุณชาชาพงครับก<ม>ราบธรรมนัสการครับถ้าเวลาขับรถเผลอสะบดคําหยาไปบาปไหมครับถ้ามันเป็นปลุษสวัสเนี่ยมันก็ถือว่าเป็น การผิดศีลละเอียดโดอถ้าศีหห้านี่ก็ยังเพียงแต่ห้ามไม่ให้พูดปดเท่านั้นเอง ค, คำพระลุกเสวานี่เถือว่าเป็นเป็นศีลที่ละเอียดสำหรับพวกที่เป็นนักบวชมากกว่าแต่พวกเป็นกาลาว่านี่ยังอาจจะไม่ไม่ผิดศีลข้อข้อสี่ข้อสีมุสาวาธา คำถามจากคุณเสวนีครับธรรมที่เป็นเหตุให้บรรลุธรรมถึงมรรคผลนิพพานคือธรรมเหล่าใดคะก็สีนสมาธิปัญญาเนี่ยรักษาศีนไปเริ่มตั้งแต่ศีห้าแล้วก็พัฒนาเป็นศีแปดไปแล้วจะได้มีเวลาไปฝึกสมาธิฝึกสติเดินจงกรมนั่งสมาธิได้สมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ถ้สามารถเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราเป็นทุกข์ก็ปล่อยวางตัดความอยากต่างๆในสิ่งต่างๆได้ก็บรรลุผลนิพพานได้จากคุณสวัสดีนะจ๊ะนะครับสวัสดีครับการาบเรียนถามพระอาจารย์ครับจิตที่ฝึกมาละเอียดแล้วจิตจะสามารถเสื่อมลงได้หรือไม่ครับแล้วทําอย่างไรจิตถึงจะละเอียดตลอดโดยไม่เสื่อมหรือต้องนั่งสมาธิกํากับตลอดครับ คือถ้าระดับสมาธินี้มันต้องเสือ่อมเพราะว่าเวลาออกจากสมาธิมามันก็จิตก็เริ่มคิดปูงแต่งไปเรื่องราวต่างๆกิเลสก็ออกมาเพ่นพ่านมันก็ทําให้จิตที่ละเอียดนั้นหยากกบขึ้นมาเสื่อมลงได้วิธีที่จะทําให้จิตละเอียดแบบไม่เสื่อมนี้ต้องใช้ปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วคอใช้ปัญญาคอยสอดส่องดูกิเลสเอกิเลสตัวใดออกมาก็าต้องใช้ปัญญากำจัดมันไป กิเลสถูกกำจัดด้ปัญญาแล้วมันจะไม่กลับมาอีกจะไม่มาทำให้จิตเสื่อมอีกปันญาเนี่ยทำให้จิตที่ละเอียดไม่เสือ่อมลงนี่ต้องเจริญขั้นปัญญาต่อจากสมาธิจากคุณเบนต์ครับกราบธรรมสการครับพระอาจารย์อยากจะเรียนถามพระอาจารย์เวลาเราทำอะไรลงไปเพราะความโกรธถือเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคะแบบอารมณ์ชัว่ววูบ คือมันต้องตั้งใจเนะี่ยมันอยู่ดีๆมันถ้าไม่ตั้งใจมันมันทำอะไรไม่ได้หรอกคนเราต้องมีความตั้งใจมาฟังทำนี้ก็ต้องตั้งใจถึงจะทำนะจะไปทำร้ายพูดก็ต้องมีความตั้งใจหรือแม้จะเป็นความตั้งใจแบบทันหันแต่มันก็เป็นความตั้งใจคือมันอาจจะไม่ได้วางแผนไม่ร่วงน้าก่อนแต่พอมีเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็ ทังใจที่จะด่าเขาละหรือทำร้ายเขาละคำถามจากคุณตะมุตมิครับถ้ามีสิ่งมากระทบจิตใจเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจควรวางจิตหรือปล่อยวางหรือคิดอย่างไรดีคะถ้าเราปล่อยวางได้ก็ดีที่สุดคิดว่าสิ่งต่างในโลกนี้มันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านมีสิ่งที่เราชอบและมีสิ่งที่เราไม่ชอบสลับกันไปสลับกันมา วิธีที่จะปฏิบัติกับสิ่งทั้งหลายที่ดีสุดก็คือวางเฉยใจอย่าไปเดือดร้อนกับสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบครับผมคำถามจากคุณโบครับหนูควรต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกทางและไม่หลงเจ้าคะก็เนี่ต้องปฏิบัติตามทางที่พระเจ้าสอนให้เราปฏิบัติกันทําบุญทําทานตามกําลังของเราตามโอกาสรักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานแล้วก็ วันหยุดวันทํางานก็ถือศีลแปดเพื่อจะได้ปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเป็นต้นกแล้วต้องหมัม่นฟังธรรมอยู่เรื่อยๆธรรมนี่แหละจะเป็นเป็นเหมือนแสงสว่างที่จะชี้ทางให้เราไม่ให้หลงทางจะ ต, ต้องเป็นเป็ธรรมจากของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยนี้มีข้าที่ พูดตลกโปล่ฮาแล้วก็มาแสดงธรรมนั้นเราไม่ถือว่าเป็นการแสดงธรรมเป็นการเอาธรรมมาเป็นเครื่องมือในการการแสดงให้เกิดความเฮฮากันผููแล้วก็ตลกหัวเราะคิกคักคิกคักกันเราไม่ได้หมายถึงทรรแบบนั้นมันต้องเป็นธรรม ท, ที่อยู่ในแนวทางที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้คำถามจากคุณอภิษฎีครับ กับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะในกรณีของโรคซึมเศร้าซึ่งหาหมอกินยาปรับสมดุลเคมีอยู่แล้วการเรียนรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะช่วยให้คนเป็นโรคนี้เข้าใจตัวเองได้ไหมคะอยากให้หลานมาตั้งใจเรียนทางนี้มากกว่ามัวแต่คิดล บ, ลบ <c oughs> ความซึมเศร้าได้แต่เป็นการระงับที่ปลายเหตุต้นเหตุของความซึมเศร้าก็คือความหลงความอยากอยากได้สิ่งต่ตางๆแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจเศร้าใจอยากบ่อยๆไม่ได้ไบ่อยๆเขาก็เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาดังนั้นถ้ามาศึกษาธรรมก็จะได้เรียนรู้ว่าความอยากนี่เป็นตัวปัญหา พยายามลดละความอยากอย่าไปอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากเป็นอะไรให้พอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่แล้วอยากจะมีความสุขก็เอาความสุขในตัวเรานี้ดีกว่าไม่ผิดหวังจะไม่สิ้เศรา้าความสุขจากการทําความดี mm hmm. เช่นทําบุญทําทานรักษาสิงนั่งสมาธิได้ยิ่งดีเพราะจิต ท, ที่สงบจากสมาธินี้จะมีความสุข แล้วก็จะไม่มีอาการซึมเศร้าเพราะจะไม่ได้เสียใจไม่ได้ผิดหวังเพราะไม่ได้หวังอะไรจากใครไม่ต้องการอะไรจากใครเพราะสามารถอาความสุขในตัวของตนเองได้ถ้ายัางนั่งสมาธิไม่ได้ก็เอาทำบุญทาทานก่อนเป็นอาสาสมัครไปทำงานอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแล้วจิตใจจะมีความสุขจะไม่ซึมเศร้า แต่ถ้าจะอยู่เฉยๆแล้วอยากได้นุ่นได้นี่แล้วไม่สามารถได้มามันก็จะซึมเศร้าวิธีแก้ซึมเศร้าก็คือเนี่ยไปทำงานเอาซาสมัครไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นรักษาศีลแล้วก็หัดภาวนานั่งสมาธิตั้งเทศฟังธรรมคำถามจากคุณทิปพปาครับ รบกวรสอบถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วยเมตตาต่อคำถามนะครับใน ก, นการนั่งสมาธิปกติปฏิบัติสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านทุกวันมีอยู่วันหนึ่งพิจารณาสายฝนนั่งนิ่งมากๆแล้วเกิดตัวพองโตหายใจไม่ออกเลยรู้สึกกลัวและอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคะปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือเปล่าคะรบกวนเมตตาช่วยชี้แนะด้วยค่ะกราบพระคุณค่ะคือการปฏิบัติแต่ละครั้งนี่มันก็อาจจะมีอาการแปลกๆขึ้นมา ซึ่งอาจจะเกิดเพราะว่าเราไม่มีอะไรคอยคุมจิตในตอนนั้นไม่มีสติคอยควบคุมจิตมันก็เลยทำให้จิตนั้นแสอ า, าการอะไรขึ้นมาได้เนีย่ยงคนที่จะยึดอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาภาวนาจะดีกว่ายึดลมหายใจเข้าออกอยอย่าเบีเ่ยงเบนไปที่อื่นหรือยึดคําบริกรรมพุทโธพุทโธไป แล้วอาการแปลกๆต่า ง, งๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาคําถามจากคุณฉัตรมณีครับการเรียนถามเจ้าขาเวลานั่งสมาธิมืดไปหมดเลยเจ้าขาเหมือนหลับไปทํายังไงถึงจะสว่างคะคำว่า ม, มืดนี่มันปกติมันก็ต้องมืดเดียวเพอเวลานั่ง a n g เหลับตามันจะไปสว่างได้ยังไงงั้นมืดพอนั่งหลับตานี่ไม่เป็นปัญหาอะไรเรี่อวการลืมตาแล้วมืดด้วยมืดด้วยความหนง มืดด้วยความหนงก็คือเห็นผิดเป็นชอบ mm. เห็นกงจากเป็นดอกบัวอันนั้นอย่าไปมืดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาบอกเวลาสว่างนี่บางทีมันไม่ได้หมายความว่าสว่างแบบดวงไฟนแต่มันอาจจะมีความรู้สึกสว่างขึ้นมาในใจเป็นความรู้สึกนแต่ถ้าจิตมันยังไม่สงบมันจะไม่สว่างเวลาเริ่มต้นนี้มันก็อาจจะมืดๆเป็นปกติว่ามันแล้วก็ให้มีสติอยู่กับ ลมหายใจเข้าออกยู่กับคำบริการมพูดโชวไปแล้วพอจิตเข้าสู่ความสงบนี้ไม่นก็อา จ, จะเกิดความรู้สึกมีแสงสว่างปรากฏขึ้นมาก็ได้ไม่เกิดขึ้นมาก็ได้เพราะว่าเป้าหมายของการทําจิตให้สงบนี้ไม่ได้อยู่ที่แสงสว่างแต่อยู่ที่ความสงบนิ่งของจิตใจไปแล้วคำถามจากคุณสวงครับกลับนพิสการพระอาจารย์เจ้าข่าขออนุญาตเรียนถามว่าสีอุโบสถ รักษาที่บ้านได้ไหมเจ้าค่ะอยู่คนเดียวเจ้าค่ะปีนี้โควิดแรงมากเจ้าค่ะมันก็เป็นศีลแปดเหมือนกัน่ะศีลอุโบสถก็ศีลแปดนันเป็นแต่ว่าเปลี่ยนชื่อเวลารักษาศีลอยู่ที่วัดก็เรียกว่าเป็นศีลอุโบสถเพราะเป็นรักษาในอุโบสถก็เป็นศีลแปดถ้าเรรักษาศีลแปดที่บ้านแล้วก็เรียกว่าศีลศีลบ้านก็ได้ศีลแปดที่บ้านมันก็ตัวเดียวกันมันก็แปดข้อเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างจากกัน อันนี้ส่งก็เหมือนกันนะครับพระอาจารย์ครับเออเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างจากคุณเบกกี้ครับกราบขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคนมายืมเงินเราแล้วเราแล้วไม่ใช่นี่คืนแต่เราโอโหศีกรรมยกให้เขาไปแล้วกรรมนี้เขายัางต้องชดใช่ไหมคะกราบขอขอบคุณครับเขาทำด้วยมีความเจตนาที่จะยักยอกเงินของเราหรือโกหกหลอกลวงเพื่ออํานงินของเราไปใช้นี่เขายัางต้องใช้อยู่ รือไม่ว่าเราจะเอาสิทธิกรรมให้เขาแล้วว่ามันเป็นคนละส่วนกันเราไม่มีกรรมกับเขาแต่เขาเนี่ยเป็นผู้ที่ทำกรรมไว้เขายังต้องเป็นผู้รับผลของกรรมที่เขาทำอยู่วัน ข, ข้างหน้าเขาอาจจะถูกคนเลยมาหลอกลวงเอาเงินเอาทองไปก็ได้คำถามจากคุณพิชัยครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ ถ้าเราป่วยหนักแต่ถ้าฝึกปฏิบัติมาแล้วก่อนจะหมดลมหายใจไปเราควรตั้งจิตไว้ที่พุโทโธหรือถ้าสามารถวางจิตให้เป็นอุเบกขาได้ก็ไม่ต้องจดจ่อกับพุโทโธใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่เป้าหมายก็คือให้จิตวางเฉยให้ได้แยกจิตออกจากก้างกายออกจากความเจ็บปวดของร่างกายเป็นเหมือนแพทย์กากคนไข้แพทย์ถึงแม้จะรักษาคนไข้แต่แพทย์ก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนกับความเจ็บป่วย อาการเจ็บปวดของร่างกายของคนไข้จิตก็เหมือนกันจิตก็รับรู้ความเจ็บปวดของร่างกายแต่จิตก็ไม่ไปทุกไปเป็นอะไรไปกับความเจ็บปวดของร่างกายจิตก็เป็นอุเบกขาเฉยวางเฉยจากคุณชัดครับกาเบรียนถามพระอาจารย์ครับการทําสมาธิควรใช้เวลาวันละกี่ชั่วโมงและกี่วันจึงจะสงบเข้าสู่ฌาน ขอความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้โปรดยกตัวอย่างการปฏิบัติของหลวงพ่อว่าใช้เวลากี่วันจิตจึงรวมและปฏิบัติเข้มข้นขนาดไหนขอเป็นเคสตัวอย่างให้ลูกหลานได้ปฏิบัติตามครับกราบน้อมสักการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับคือเวลานี้มันไม่ได้เป็นตัวกําหนดที่จะให้จิตเข้าสู่ความสงบรเร็วหรือช้าเนี่ยง่ายหรือยากตัวที่จะทําให้จิตสงบเร็วหรือช้าง่ายก็คือสตินั้น นี่มันแต่ละคนมีสติมีปริมาณไม่เท่ากันบางคนนึงต้องใช้เวลาในการเจริญสติมากกว่าที่จะทําจิตให้สงบได้บางคนมีสติมากอยู่แล้วจเจริญไม่นานห้านาทีก็เข้าสู่สมาธิได้ดังนั้นแต่ละคนนี้มันมันใช้เอาเวลามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ต้องดูปริมาณของสติที่มีอยู่ในจิตของแต่ละคนว่ามีมากไม่น้อยเท่าไหร่บางคนนี่ นั่งสมาธิครั้งแรกห้านาทีจิตก็รวมเลยก็มีนิสิทธิหลวงปู่บ้านคนหนึงไม่ชี้แก้วครับตอนที่เป็นสาวตอนที่ได้ฟังเทศของหลวงปู่บัน่นขรั้งแรกหลวงปู่มั่นสอนให้นั่งพุโทโธพุโทโธเธอก็ไปลองนั่งดูเธอบอกนั่งห้านาทีจิตของเธอก็รวมก็สุขภาเทั้งทงี่ไม่เคยนั่งมาก่อนในชีวิตเพอาะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้องวัดด้วย ดูด้วยตนเองเราต้องพยายามนั่งไปถ้าสติจดจ่ออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ว่าไปคิดเรื่องินตรงนี้เลยห้านาทีก็สงบได้แต่ถ้าพุโทโธสองคำแล้วหายไปไปนั่งคิดถึงคนนู้นคนนี้เรื่อ ง, งนั้นเรื่องนี้ครึ่งชั่วโมงกกลับมานี้นั่งไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันสงบได้ยันขอให้ดูสติเป็นหลักถ้าไม่มีสติก็พยายามสร้างสติให้มากขึ้นสร้างได้ก่อนที่เราจะมานั เราสามารถฝึกสติได้ทั้งวันเลยท่อพุทโธไปได้เกือบตลอดเวลาเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดต่างๆก็ท่องพุทโธพุทโธไปอย่างนั้นเวลามานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วอย่างของแม่ชีแก้วนี่ท่านเป็นบุญเก่าใช่ไหมคราาับอาจารย์เนี่ น, นแหละก็เป็นสต<า>ิเคยๆเคยอาจจะเคยเข้าชานในอดีตมาก่อนเคยเข้าสมาธิมาก่อนเคยเป็นนักบวชมาก่อนนะครับ พอามาบวชปั๊หมันก็พอมาเจอธรรมะกขาตุ้นครับได้ยินเสียงธรรมะสอนถ้ามันก็กลับไปทําได้อย่างพระพุทธเจ้าท่านเคยเล่าว่าตอนที่ท่านเป็นเด็กท่านเคยถูกปล่อยให้นั่งประทับอยู่ตามลําพางอยู่ใต้โคงต้นไม้ตอนนั้นมีภารกิจงานอย่างอื่นทําให้ข้าราชบริพารที่คอยเฝ้าดูแลท่านปล่อยให้ท่านอยู่คนเดียวตามลําพังเพื่อไปช่วยงานชั่วคราว เพ น, น้นถ้าไม่มีอะไรมาแหวนล้อมมาดึงจิตให้ท่านออกไปวุ่นวายจิตมันเคยสงบมันเคยอยู่วิเวกมาก่อนมันก็จะสงบของมันตะระตะโนมนาแต่ว่ากายวิเวกจิตก็จะวิเวกสําหรับผู้ที่เคยได้มีสมาธิมาในอดีตชาติแล้วพอเวลาจะมาทําสมาธิหรือบางทีไม่ได้ตั้งใจจะทำอยู่คนเดียวเฉยๆจิตมันก็ลวมเข้าไปได้มันถ้าไม่มีอะไรมัาดึงจิตให้ออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ อั้นนี่เป็นเรื่องบุญเก่าเนี่ยที่เราว่าบุญทำบุญต้องไม่สือ ร, ระดับทานระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญานี่มันไม่สูญมันติ ป, ปากับใจของเาัาแต่ละคนครับค <c oughs> ำถามจากคุณจินูนครับข อ, อการครับผมภาวนาไปผมเห็นแผงกระดูกสันหลังทําทุกอริยาบทก็ยังเห็นเหมือนเดิมครับอยากถามว่าผมยังปฏิบัติถูกไหมครับขอบคุณครับไปเห็นมันทําไมล่ะปฏิบัติ แล้วนั่งให้เห็นลมให้ดูลมหรือให้พุโทโธพุโทโธไปตอนนี้ไม่จช่เป็นเวลาที่จะไปเห็นอะไรแบบต่าอันนี้ต้องการที่จะทําทจิตให้เห็นความว่างว่างลึกด้วยการอยู่กับพุโทโธไปไละอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปนั้นอย่าไปถ้าไปเห็นอะไรแสดงว่าเราไม่ได้ทําสมาธิแล้วลึกหนึ่งเจ็ดกลับมาที่ลมหายใจแล้วกลับมาที่พุโทโธถ้าอยากจะให้จิตเข้าสู่ความสงบ คำถามจากคุณสรันปรกรณ์ครับการธรรมสการ์หลวงพ่อเวลาเรานั่งสมาธิภาวนาเราสามารถทำสามวิธีนี้สลับกันไปได้ไหมคะหนึ่งหายใจเข้าภาวนาพุทธหายใจออกภาวนาโทสองดูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยเฉยไม่ต้องภาวนาพุทธโทสามบริกรรมพุทธโทอย่างเดียวไม่ดูลมหายใจเข้าออกกราบขอบพระคุณค่ะได้แต่ต้องแยกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนีอเอาสามอย่างพร้อมๆกันสลับกันไปสลับขึ้นมาครั้งนี้ท่านั่งจะาพุทธเข้าโทออกก็ได้ ครั้งหน้าจะลองเอาแต่ดูลมเฉยๆก็ได้ครั้งอีกครั้งหนึ่งก็จะลองพูดโทยอย่างเดียวก็ได้แต่จะทําทำั้งสามอย่างในขณะที่เราเอา่ทําสมาธิเวลาเดียวกันให้แยะเพื่อเราอย่างใดอย่างหนึ่งคําถามจากคุณธีระครับกราบธรรมศกิ์ารพระอาจารย์ครับสมมุติทําให้เกิดริมุตติอย่างไรครับคือ คำว่าสมมุตินี่แปลว่าสิ่งต่างๆที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเองตั้งชื่อขึ้นมาเราตั้งชื่อคนนั้นคนนี้เป็นสมมุติมันไม่ได้เป็นความจริงว่าเป็นบุญในบุญนี้ความจริงเขาไม่ได้เป็นบุญจริงๆเพียงแต่ชื่อสมมุติในดีตัวเข้อาจจะไม่ดีก็ได้อต่ น, น, นี้เรียกว่าสมมุติแต่คําว่าสมมตินี่แปลว่าการหลุดพ้นจาก สมมุติคือกอดปัญญารู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราสมมุติขึ้นมานี้มันไม่ได้เป็นความจริงมันเป็นสมมุติแต่เราไปหลงเห็นกระดาษพิมพ์แบงเป็นร้อยแบงขันก็ก็คิดว่าเป็นแบงขึ้นมาทั้าที่มันเป็นกระดาษแล้วก็พิมพ์หมายเลขเข้าไปท่านเองแล้วทุกคนก็เชื่อกันมันก็เลยกลายเป็นของมีค่าขึ้นมาใช่ไหมเราทุกคนหลงสมมุติ ด, ด้วยกันถ้าทุกคนไม่เชื่อเนี่ยหรือ ก็เอาแบงนี้ไปให้ขายเขาก็ไม่มีใครเขาจะจะขายของให้กับเราถ้าเขาไม่เชื่อมันเพราะแ่่มันเป็นเพียงกระดาษท่า น, นจะมาเอาแรกเอารนยนต์ไปได้ยังไงเ <c oughs> พราะว่ามันเชื่อสมมูลกันมันหลงสมมูกิกันเนี่ยเอาเอากระดาษมาแกกลกอะไก็ได้ใช่ไห็ <c oughs> <c oughs> นั่นคนที่ไม่มุดก็คือเขารู้ทางเขาไม่ไปหลงสมมูล เขาไม่หลงสมมุติเขาก็จะไม่ทุกข์กับสมมติเพราะเขารู้ว่าไม่มีคุณค่าราคาอะไรท mm hmm. ั้งวันก็อันนี้แต่ความจริงเคาว่าวิมุตเนี่หมายถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งมันก็เกิดจากการเห็นด้วยปัญญาทุกอย่างในโลกนี้เป็นของสมมุติไม่ใช่เป็นของแท้ของจริงอะไรครับ mm hmm. ทุกอย่างในโลกนี้เป็นธาตุทั้งนั้นะ ท, ทําจากธาตุสี่ดินน้าลมไฟแล้วก็ไม่เทีย่ยงเกิดแล้วก็ดับครับ mm hmm. ถ้าไป ยึดไปติดมันเวลามันดับก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอรู้ว่ามันเกิดมันดับไปยึดไปถือใหามันเป็นของแท้ของจริงไม่ได้ก็ไม่ไปยึดไปติดมังก็เวลามันเสื่อมไปหมดไปมันก็จะไม่ทุกข์กับมันแล้ววิลุศคนที่วิลุศก็แปลว่าหลุดพ้นจากความทุกข์หรือหลุดพ้นจากส ม, มุตินั่น คำถามจากคุณสุพชัยครับกรา่าวต่อพิธการพระอาจารย์ครับผมมีลูกสาวปสามกับลูกสาวอุบมศาสามเราจะให้คำแนะนำลูกอย่างไรหรือควรทำอย่างไรถ้าอยากปลูกฝังให้ลูกสาวได้เข้าถึงธรรมคุณธรรมสามารถแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้ครับออก็เป็นแบบพ่อปู่สอนลูกปูหรือแม่ปู่สอนลูกปูปูมันพ่อปู่แม่ปู่สอนให้ลูกเดินตรงๆแต่เวลาพ่อแม่เดิน มันเดินเฉไปเฉมาแล้วลูกมันเดินตรงหรือเปล่าลูกมันก็เดินเฉตามพ่อตามแม่นั่นแหละงั้นถ้าอยากจะให้ลูกเราเข้าถึงธรรมเราก็ต้องเข้าถึงธรรมเราก็ต้องพาเขาเข้าถึงธรรมด้วยตัวเราเองด้วยการปฏิบัติของเราเราก็ต้องทําตัวเราเป็นตัวอย่างไม่ใช่สอนให้ลูกอย่ากดื่มโซดาสูบบุหรี่นะแต่พ่อแม่เดิ่มโซาสูบุหรกันเล่นการพนันกันสอนไปปากเปรียบปากฉีกมันก็ไม่เข้าถึงใจมันเด็ก เพราะเด็กจะเรียนจากการเห็นจากการดูการกระทําของพ่อแม่อย่างเคยพ่อแม่พาลูกมาวัดแล้วบอกให้กาบลูกไม่กาบหรอกแต่พอพ่อแม่อากาศปั้มมันกาบตามเนี่ยเราจะทํำไรจะสอนลูกนี้ต้องสอนด้วยการกระทําไม่ใช่สอนด้วยวาจเาเพียงอย่างเดียวเห็นสังเกตเยอะเลยพ่อแม่บางคนสอนเอากาบพลาสติกลูกกับเนี่ยงงไม่รู้ว่าให้ทํำยังไง แต่พ่อพ่อแม่กับให้ดูปั๊บเขาก็ตามได้งั้นถ้าอยากจะให้ลุดได้อะไรเราก็ต้องทําเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นก่อนแล้วเขาก็จะทําตามเราโดยเฉพาะเวลาที่ก็เป็นอย่างนี่สอนง่ายเพราะเขาจะเรียนรู้จากเราทุกอย่างพ่อแม่นี่เป็นครูบาอาจารย์คนแรกของลูกงั้นแต่ถ้าเราไม่ทําหน้าที่อันนี้ไปพอลูกโตแล้วเขาก็จะ เขาก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเราเห็นไหมถ้าเราอยากจะให้ลูกได้สิ่งที่ดีเราก็ต้องทําตัวของเราให้ดีทําตัวอย่างของเราให้ดีเขาก็จะทํามเราเราเข้าวัดเขาก็ตามเราเข้าวัดถ้าเราไม่เข้าวัดเขาก็ไม่เข้าวัดนคําถามจากคุณตํานานความเชื่อน่ารู้ครับผู้ที่ฝึกวิปัสสนากับผู้ที่ไม่เคยฝึกวิปัสสนาเมื่อพบประสบการณ์ใกล้ตายมีความแตกต่างกันไหมเจ้าคะ ฝึกโดยการสังเกตความรู้สึกทางเวทนาฝึกพัฒนาจิตให้เป็นอุเบกขาเมื่อใกล้ตายเราจะสัมผัสถึงเวทนาที่รุนแรงก็เหมือนนักมวยนะ่ะถ้าไม่ซ้อมเหมือนนักมวยที่ซ้อมในใครจะนีกว่ากันเวลาขึ้นเวทีเจอคู่ต่อสู้นักมวยที่ซ้อมดีมาก็อาจจะเอาชายชนะคู่ต่อสู้ได้นักมวยที่ไม่ซ้อมพอขึ้นเวทีก็จะถูกคู่ต่อสู้นอกกลาวเท่านั้ การฝึกวิปัสสนานี i ก็เป็นการฝึกเพื่อต่อสู้กับกิเลสตัณหาตัวที่จะมาสร้างความทุกเวลาที่ใกล้ความตาย<ฆ>ถ้าฝึกก่อนตายได้เอาชนะความทุกข์ที่เกิดจากความตายได้เวลาตายก็จะตายอย่างไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายยัง่งต้องฝึกก่อน คำถามจามกคุณตะมูตะมิครับตอนเด็กสวดมนต์ทุกวันค่ะก่อนนอนรู้สึกทําอะไรราบลื่นปัจจุบันไม่ค่อยได้สวดมนต์เวลาทําอะไรติดขัดก็มักจะคิดย้อนมาว่าเป็นเพราะเราไม่สวดมนต์จริงๆการสวดมนต์ส่งผลเช่นนั้นจริงไหมคะหลวงพ่อจะว่ามีมีเฉยก็ว่าได้เพราะเป็นการการสวดมนต์นี่เป็นการฝึกสติเมื่อเรามีสติเวลาทํางานนั้นมันก็จะราบรื่นกว่างเวลาที่เราไม่มีสติเวลาขาดสติเวลาทําอะไรก็อาจจะพังหรืออาจจะ ทำผิดทำถูกแต่เวลามีสตินี่ทําอะไรมันมักจะทําไม่ผิดพลาดฉั้นการไหว้พระสวมนมโนนี่ได้ได้สติ ด, ด้วยแล้วก็ได้ความสงบได้จิตที่มีความสุขจิตที่มีความสุขทํำงานทําการมักจะทํำได้ดีกว่าจิตที่ไม่มีความสุขคําถามจากคุณพรมพรครับกลาวเป็นถามพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเป็นคนเข้าสมาธิได้ง่ายชอบฟังธรรมฟั ง, ฟงทุกวันพยายามฝึกสติตลอดเวลา แต่มันหลุดกับเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่บ่อยครั้งเวลาดูข่าวรบกวนท่านช่วยแนะนําด้วยค่ะอยากนิ่งให้มากกว่านี้เจ้าค่ะหลุดโมโหแต่ก็กลับมาได้เร็วค่ะแต่ไม่อยากหลุดเลยไม่อยากหลุดเลยก็ต้องสำนวนเป็นสี่สำนวนตาของจำลกงของเราอย่าไปสัมผัสกับเรื่องเสียงเกินรถที่มันจะทําให้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเนื่งเวลาเกิดความอยากกิเลสอยากจะดูข่าวบ้านเมืองก็ต้องห้ามมันทันที อย่าดูอย่าฟังในเรื่องที่จะทำให้จิตใจเราเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานั่นเองเราก็ต้องตั้งตั้งตั้งเป้าหมายว่าต่อไปนี้เราจะไม่ดูไม่ฟังในเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจมันถือศีลแปดไงถือศีลแปดข้าไม่ให้ดูเรื่องบันเทิงเรื่องอะไรกันต่าง การบ้านการเมืองเรื่องอะไรทั้งหลายแค่จะดูก็ดูแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวยามาดูรายการนี้ดูไปสนับประกันได้ไม่มีความวุ่นวายใจครับดูแล้วใจจะสบายใจจะเย็นจะมีความสุขต้อไปดูเรื่องวุ่นวายใจทําให้ใจทุกข์ทำไมรเราเป็นคนเลือกเองไม่มีใครก็บังคับให้เรายูเห็นเราต้องมีสติรู้จักแยกแยะว่าอันไหนที่เป็นโทษกับเราอันไหนที่เป็นคุณกับเรา ไปเอาของที่เป็นโทษมาใส่ใจเพราะมันจะทำให้ใจเราทุกเราของที่เป็นคุณมาใส่ใจแล้วมันจะทำให้ใจเรามีความสุขคำถามจากคุณแอปแพคครับการที่เราทำงานแล้วเจอเพื่อนร่วม ง, งานที่ใส่แต่หน้ากากเข้าหากันเลือกปฏิบัติเลือกที่รักมากที่ชังเราควรปฏิบัติอย่างไรบ้างคะเราก็ต้องถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี่งก็เขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขา เราอย่าไปทําตามเขาก็แล้วกันเราขอให้เราเป็นคนที่ตกไปตรงมาทําใจปากกับใจตรงกันพูดอะไรก็คิด อ, อะไรก็พูดอย่างนั้นทําอะไรก็ทําอย่างนั้นด้วยใจที่ชวนการไปหลอกลวงคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เรื่องของเราถ้าคนอื่นเขาจะหลอกลวงเราก็ห้ามเขาไม่ได้คําถามจากแม่ชีรูปอารมณ์ครับ นำมาส ก, การค่ะสำหรับคนที่ร่างกายหนาวเย็นง่ายเวทนาเกิดขึ้นทำให้รู้สึกจัดทนไม่ไหวตลอดมีวิธีปฏิบัติให้จิตสงบไหมคะก็ต้องพยายามใช้สตินั่นแหละขณะที่จิตเริ่มมีความชุกขามาจากเวทนาก็ต้องพยายามบริกรรมพุทโธไปอย่าปล่อยอย่าหยุดให้เกาะติดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วอารมณ์ เรืวความทุกขใจมันก็จะลดดองลงไปได้ครับผมมีคําถามของผู้ไม่ประสบออกนามครับอาจารย์ครับเมื่อปฏิบัติธรรมฝึกพิจารณาสติจนเกิดปัญญาในบางส่วนเห็นทุกข์ของการเกิดเห็นธาตุในกายเห็นกุศลอกุศลเกิดในจิตใจเป็นช็อตๆเห็นว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงและวันหนึ่งร่างกายนี้ต้องสลายแน่นอนแต่การมีครอบครัวไม่สามารถให้หนูเดินหน้าต่อไปได้มากกว่านี้ได้แต่พิจารณาสติรักษาสี่ห้า ตรวตาดูกรรมบวชิทธิ์ของหนูบ่อยๆดูแลกายใจตัวเองให้ห่างจากอากุศลให้ได้มากที่สุดได้บ้างไม่ได้บ้างเดินหน้าไปไกลต้องถอยหลังไปอยู่ในหน้าที่แห่งครอบครัวใหม่ต้องการสนับสนุนของครอบครัวยังไม่มากพออคําถามเหมือนไม่จบแล้วก็ประมาณนี้ครับอาจารย์ครับเพราะ ไ, ไม่พิจารณาครอบครัวเลยว่พิจารณาครอบครัวว่าเป็นไตแล้วเป็นดิน้ำหลอมไฟเหมือนกับสิ่งเยิดเดียรที่เราพิจารณา พอเราไม่พิจารณามันก็ยังกลายเป็นครอบครัวอยู่ยังเป็นสามียังเป็นภรรยายังเป็นลูกเป็นอะไรอยู่แต่ถ้าเราพิจารณาว่ามันก็เป็นเพลงดินน้ำลมไฟเป็นใจรักเป็นเขางไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องมีการดับไปสิ้นไปท่านพิจารณาครอบครัวได้ก็ตัดครอบครัวได้ต่อไปนี่ไม่ยอมพิจารณาครอบครัวอยางคิดว่าเป็นลูกของเรายังเป็นสามีของเราเป็นพ่อเราแม่เรา คือการพิจารณาไม่รอบคอบเนี่ยชาวสา้เราพิจารณากายนอกกายไงกายนอกก็คือกายเรากายนอกก็กายของผู้อื่นนะครับกายของผู้่นกับกายของเราก็เหมือนกันทำงานอยากดื่มน้ำลมไฟเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ไม่ใช่เป็นพ่อเป็นพี่เป็นน้องอันนี้เป็นสมมุติแต่ป้ายไว้ที่ร่างกายคนนี้ว่าเป็นพ่อคนนี้เป็นแม่ควาจริงก็เป็นแค่ร่างกาย ที่ทํามาจากดินน้ํำลมไฟที่ไม่เทีย่ยงที่จะต้องย่อยสลายกลับไปกลายเป็นดินน้ํำลมไฟไปในที่สุดให้พิจารณาอนี้ไปแล้วรอบรองน่าสานได้หมดเพรว่าจะเป็นกายทั้งทั้งทั้งทั้งนั้นเพราะเราอยู่กับเขาเราก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เขาก็ต้องแก่เจ็บตายเขาก็ต้องย่อยสลายกลับไปเป็นดินน้ํำลมไฟแต่ถ้าเราไปบวชได้เราบารู้ธรรมได้เรามาสอนเขาเขาก็จะได้บรรลุธรรมเานัได้เช่นพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็ไปคนองค์เดียวจะเด็ดไปองค์เดียวไปภาวนาไปปฏิบัติอยู่หกปีหลังจากนั้นก็กลับมาแสดงทำให้ญาติพี่น้องฟังญาติพี่น้องก็เกิดศรัทธาออกบวชกันบรรลุเป็นพระอรหันต์กันมากมายนวิธีที่จะช่วยครอบครัวได้อย่างถูกต้องที่ดีที่สุดก็คือต้องทิ้งครอบครัวไปก่อนแล้วค่อยกลับมาช่วยเขาในภายหลังหลังจากที่เราได้ทามันประเสริฐนี้มาสอนเขาแล้ว คำถามจากคุณบุญนาครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับการปฏิบัติในมหาสติปฐานสูตรหมวดเวทนาจิตให้เราสังเกตดูทั้งภายในและภายนอกอะไรคือความหมายของภายในและภายนอกของสองหมวดนี้ครับก็มันเวทนานี้ในเวทนานอกก็คือเวทนาของเรากละเวทนาของคนอื่นเหมือนร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นมันก็เหมือนกันเรามีทุกขเวทนามีความเจ็บปวด ร kind of can mm ่างกายของคนอื่นเขาก็มีการเจ็บปวดเหมือนกันนะดูเพื่อช่ได้ไม่ไม่ไปคิดว่าเราเป็นคนที่มีความเจ็บคนเดียวคนอื่นก็ไม่เจ็บด้วยนะเขาก็เจ็บเท่าเราเหมือนกันทุกคนดูจิตก็เหมือนกันจิตของเขาเศร้าของเราเศร้าจิตของคนอื่นเขาก็เศร้าเป็นเหมือนกันไม่ใช่เราเศร้าคนเดียวจิตเราเบิกบานก็ไม่ใช่ของเราเบิกบานคนเดียวจิตของคนอื่นเขาก็เบิกบานได้เหมือนกัน เหมือนกันหมดให้พิจารณาเพื่อไม่ให้อไม่ให้ลักที่เลือกที่ลักมักที่ชั่งให้มองว่าเหมือนกันเราเขานี่มีอยู่ในกองทุกกองเดียวกันมีความทุกข์ยากลำบากเหมือนกันมีความสุขเหมือนกันคําถามจะคุณพิศมัยครับจําคําสวดมนต์ไม่ได้อ่านเอาในหนังสืออย่างเดียวจะได้บุญไหมคะก็มันก็ได้แต่ซื้ ได้น้อยกว่าการสวดแบบที่ไม่ต้องอ่านเพราะจิตจะสงบมากกว่าเพราะเราสามารถปิดตาแล้วลว่าสวดไปในใจของเราได้จะทําให้จิตสงบกว่าแต่ถ้าเปิดตานี้ใจต้องมาใช้ร่างกายมันก็เลยทําให้ความสงบนี้น้อยกว่าะแต่ก็ทําไมไม่หัดท่องจําไม่มากหรือถ้าจําไม่ได้ก็เอาบทสั้นๆก็ได้อิทีปีโศนี้ แสวดไปร้อยจบก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องสวดบทที่ที่ยาวๆที่ต้องใช้ความจำมากหรือสวดคำเดียวก็ได้พุโทโธพุโทโธก็ได้เหมือนกัน้อาอมาก็คือให้ใจมีความสงบให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้คำถามจากคุณวันนาครับกาลนพสการ ภาวนาจะเห็นร่างซ้อนในตัวเองทั้งที่หลับตาแต่ร่างที่ซ้อนกันจะลืมตาและเห็นปฏิกิริยาทุกอย่างรอบๆตัวเองแต่ก็ไม่ได้สนใจก็ภาวนาต่อไปจนถอนออกจากสมาธิเป็นแบบนี้ทุกครั้งแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาต่อการภาวนาและบางทีตอนจะนอนหลับตาก็จะเห็นทุกอย่างรอบๆตัวทั้งที่หลับตาแต่เห็นได้ระยะไม่ไกลแต่ก็ไม่ได้สนใจเป็นมานานลาแล้วแล้วอยากถามว่าสภาวะนี้คืออะไรคะคือมันไม่มีชื่อหรอกมันก็เป็นอย่างนั้นอนะ เป็นสภาวะที่มันเกิดจากจิตของเราที่ไม่สงบนั่นเองเพราะเวลาเราภาวนาจิตเราไม่กอดติดอยู่กับพุทโธเพียงอย่างเดีย ว, ยวหรือไม่อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดีย ว, ยวมันปล่อยให้มันออกไปสร้างสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นมาทั้งนั้นเองแ <c oughs> สดงว่าการภาวนาของเรานีล้มเหลวจิตไม่เข้าสู่ความว่างสักทีภาวนาทีไรอาจจะไม่นานก็หยุดพุทโธหยุดดูลมแล้วก็ปล่อยให้จิตเป็นผลิต ารู้สึกต่างๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาเลยนัต้องควรที่ใจก็ยึดติดไปกับพุโทโธเรืร่ออยู่กบนิดติดกับลมหายายไปถึงแม้จะมีอาการอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาให้รัรู้ก็อย่าไปสนใจถ้าเรากอะติดอยู่กับลมหรือพุโทโธได้ต่อไปมันจะจางหายไปแล้วมันจะว่าจิตก็จะสหมดเอ คำถามเจ้าคุณชัยชาญครับกลาวนวัศการพระอาจารย์ครับไม่ทราบว่าถ้าเราคิดไม่ดีเราจะมีวิธีทําให้เราคิดดีได้อย่างไงครับก็งเงนนี่เดี๋ยวว่าคิดตรงกันข้ามคิดจะไปทําร้ายเขาก็เปลี่ยนเดี๋ยวไปไปช่วยเขาไปทำอะไรให้เขามีความสุขเราคิดไม่ดีได้ทำไมเราจะคิดดีไม่ได้แต่เราต้องบังคับเท่านั้นเองก็ฝืนเหมันให้คิดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ดีกว่าจะไปขโมยเงินเขาเอาเงินไปให้เขาไม่ดีกว่า ครับคําถามจากคุณฟิลนาครับการพิจารณาแยกขันห้าออกจากจิตว่าไม่ใช่เป็นเราของเรานั้นต้องพิจารณาจนให้จิตปล่อยวางตัวตนได้ใช่ไหมคะขอบพระคุณครับอาจารย์คือเรื่องดัต้องต้องให้จิตแยกออกจากกันด้วยการฝึกสมาธิก่อนจิตออกจากร่างกายแยกออกจากขันให้ได้ก่อนมาเรื่องแล้วว่าจิตกับร่างกายนี้เป็นคนส่วนกันเวลาออกจากสมาธิมาก็ค่อยเตือนใจว่า จิตกับร่างกายเป็นคนละสว่วนนะไม่ใช่มาน้างจินตนาการว่าจิตกับร่างกายเป็นคนละสว่วนแต่ไม่เคยเห็นว่ามันแยกกันเลยมันก็จะไม่มีไม่มีน้ําหนักพอแต่ถ้าเราฝึกจิตจนให้จิตรวมเป็นหนึ่งแยกออกจากร่างกายได้ชั่วคราวเรารู้ว่าจิตไม่เป็นร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรจิตก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเพราะนั้นเราถึงจะมาสอนจิตให้ให้ปล่อยวางร่างกายไนดะ้ คำถามเจ้ า, าจคุณอดีเทพครับกราบธมศาส ก, การพระอาจารย์ครับอบายามุกสี่กับอบายามุกหกคล้ายๆกันนําไปใช้ต่างกันอย่างไรครับสังเกตว่าต่างกันหนึ่งข้อที่นักเลงหญิงโทษของข้อนี้ทําให้เสื่อมอย่างไรครับเท่าที่เราได้ได้ศึกษาหรือเราใช้อยู่เป็นประจำกาอบายามุกห้าใช่มันอา จ, จะมีมีบา ง, งข้อเสริมขึ้นมาก็ได้เช่นเออ ข้อที่หนึ่งเราครู้ว่าการสุรายามอืองสองเล่นการพ น, นันถามการเที่ยวนี่อาจจะแบ่งเป็นสองชนิดเที่ยวกลางวันกับเที่ยวกลางคืนครับางทีแล้วก็พูดรวมการไปการเที่ยวไตนไปก็ได้จะจัดจงว่าเป็นการเที่ยวกลางวันเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางคืนก็เที่ยวเที่ยวบาร์เที่ยวซ่องนี่ก็เรียกเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางวันก็ไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็ มันก็ยังถือว่าเป็นอบายมุกยู่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการหาไรายได้ให้กับให้กับเราเป็นการสูญเสียไรายได้แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเล่นการพนันเท่การเที่ยวเต่ความเกลียดข้านข้อที่สี่และข้อที่หาความเกลียดข้านแล้วข้อที่หกนี่ก็คือการครบคนที่ชอบอบายมุกเป็นมิตรชอบ ไเเปเขากับคนกินเหล้าเขา่าชวนเราไปกินเหล้าเขากับคนที่ชอบเล่นการา์ดมันอะไรเขาจะชวนเราไปเล่นการมานะ์มันอะไรอย่นี้คือเอาใบมุกที่เราคนที่จะติดเรียกทั้งหมดจะห้าข้อหรือหกข้อหรือสี่ข้อก็แล้วแต่ครับคําถามจากคุณ JHY ครับการเป็นคนไม่ดีการเป็นคนไม่ได้มีค่าความคาดหวังความก้าวหน้าความสําเร็จหรือเติบโตในหน้าที่การงาน ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองอยากเรียนสอบถามว่าอย่างนี้มองเป็นการละกิเลสไม่หวังสูงหรือมองว่าเป็นผู้ขาดอิทธิบาทสี่ครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกั น, นว่าไม่มีความคาดหวังความก้าวหน้าความสำเร็จหรือเติบโตในหน้าที่การงานคนเราทุกคนมันต้องมีความหวังมีความก้าวหน้านั้นะครับเพีงแต่ว่ามันอาจจะขยนะันใขีดเกียน ทำตามความกาม้าวความหวังนั้นรูป้ปากมากกว่าคนที่ไม่มีความคาดหวังกา จ, จะเป็นพวกขี้เกียจที่ค้านจะมากกว่าก็เลยไม่หวังอะไรเพราะขี้เกียจทําขี้เกียจอะไรขึ้นมา <Okay. S 1> นัน้นอันนี้เรียกว่าเป็นกิเลสไม่ได้เป็น <laughs> ไม่ได้เป็นธรรมนะเพราะเป็นความเกียจค้านการคาดหวังนี้ทุกคนจะต้องมีไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม ถ้าเป็นคนขยันมีความขยันก็จะต้องมีความคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจากการความขยันของเราขยันทั้งโลกก็เรียนเรียนเรียนหนังสือจบปริญญาทํางานาได้ทํางานดีมีรายได้ดีอะไรอย่างนี้ก็เป็นความคาดหวังของคนที่ฉลาดแต่ของคนที่ขยันของคนที่ที่เกียรก็ไม่เมื่อไม่อยากจะทํางานแล้วไม่รูจะไปคาดหวังว่าได้หะไรได เมื่อคำถามจากคุณเจษดาครับพยายามสวดมนต์ทุกคืนแต่คืนไหนที่ขี้เกียจสวดแล้วพยายามฝืนสวดก็จะสวดด้วยความรู้สึกที่ไม่เบิกบานเท่าไหร่ปรับใจอย่างไรให้เบิกบานอยากสวดในวันที่ขี้เกียจสวดครัเอเรก็อยากไปรำคาญเบิกบานก็แล้วกันเราถือว่าเป็นการทําหน้าที่ของเรา เพราะว่าการกระทําของเราแต่ละครั้งนี้มันจะมีพลังผ่งานนั้นให้เราทําขั้นต่อไปได้ทิ้งไปยี้ดีกว่าอย่าไปหวังว่าจะตั้งเบิกบางเสมอคิดว่าเป็นการสะ ส, สมกําลังการทําความดีไม่ให้มันพล่องถ้าเราไม่สวดวันนี้ครับวันพรุ่งนี้อาจจะขี้เกียจสวดมากกว่าวันนี้เพิ่มเป็นสองเท่าก็ได้แต่ถ้าวันนี้เราสวดวันพรุ่งนี้มันก็จะมีกําลังที่จะสวดต่อ ในที่ว่า เ, าเป็นการสะสมโมเมนตัมใโมเมนตัมการผักดันพลังที่จะผักดันให้เราทำอะไรต่อไปได้ถ้าเราทำอะไรอยู่สม่ำเสมอมันมักจะทำง่ายแต่เวลานานๆมาทำสักครั้งหนึ่งเราคิดแบบนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เมบิกบานเพราะว่าบางทีมันก็มีอาการที่ต่อต้านขี้เกียจก็ แต่ฝืนทำไว้เป็นการสร้างบารมีที่ว่าเป็นการสร้างบารมีไปมันก็จะได้รับมันจะได้สนับสนุนเราในวันพรุ่งนี้ต่อไปวันพุ่งนี้ก็จะรู้สึกสวดง่ายวันนี้รู้สึกขี้เกียจแล้วพรุ่งนี้รู้สึกขี้เกียจอีกก็ยิงจะไม่สวดมันก็เดี๋ยวจะทําให้เราไม่ก้าวหน้าแล้วอาจจะถดถอยได้ดนั้นพยายามทำอะไรให้มันสม่ำเสมออย่าอย่า ย, ยกเว้นนอกจากกรณีที่มันสุดวิสัย เจ็บไข้ได้ป่วยทําไม่ได้จริงๆถึงถึงยอมแพ้ถึงยอมปล่อยไว้ชั่วคราวแต่พอกลับมาทาได้เมื่อไหร่ก็ต้องรีบกลับมาทําทันทีครับอันนี้อ่านชื่อไม่ออกกับ <laughs> อจ <laughs> <laughs> <laughs> บ า, บาจารย์ชื่อวราจีนนี้รับน้อมสักการะอาจารย์ครับสำหรับผู้เริ่มต้นหนึ่งตอนนั่งสมาธิควรดูลมหายใจหรือพิจารณาว่าร่างกายเราเน่าเปื่อยครับ สเวลาพิจารณาว่าร่างกายเราเน่าเปื่อยควรทําตอนไหนบ้างครับกลับมาพระคุณครับคือการปฏิบัติขั้นต้นเนี่ยต้องการทําจิตให้สงบเป็นสมาธิ <c oughs> การจะทําทจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ต้องดูลมหายใจเนือบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปยังไม่ให้ไปดูอย่างอื่นถ้าเราฝึกจิตจกนกระทั่งจิตเข้าสมาธิได้แล้วขั้นต่อไปเราจะมาฝึกดูความจริงของร่างกายเราก็ได้ว่า วันหนึ่งข้างหน้าร่างกายของเรานี้จะต้องเน่าเปื่อยไปและร่างกายของคนอื่นก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นขั้นที่สองหลังจากที่ทําจิตใจให้สงบให้ได้ก่อนแล้วจิตใจสงบแล้วก็จะสอนให้ดูของเน่าเปื่อยนี้ได้เราจะไม่มีอาการอาการไม่ดีเกิดตามมาถ้ายังจิตไม่สงบนี้บางทีให้ดู คามไม่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายนี้อาจจะดูแล้วอาจจะเกิดาการแพ้ได้ครับคําถา ม, ถามจ้าคุณยูฮาลินครับน้มัสมันค่ะถ้าเปิดทำแผ่ส่วนกุศลให้ผู้ร่วมรับไปแล้วเพื่อไปสู่ภพภูมิที่ดีจะได้รับไหมคะขอบพระคุณเจ้าค่ะเปิดทำไม่ทำนะครับไม่เลยหมายถึงการทำที่เราเมีนี้ให้กับเขาเลยไม่ได้หรอกทำของใครของมันเช่นเป็นโซดามันจะ ทำโซดาบันให้เขาไปเป็นโสดาบันเพราะเหมือนกับเรานี้ทําไม่ได้ถ้าได้พวจะ้าวจะเอานิ้พานมาจากพวกเราเราไปถึงนิ้พานแล้ ว, วเธอตามเราไปนะเนี่ยเอานิ้พานไปเลยไม่ได้เพียงแต่สอนวิธีสอนวิธีปฏิบัติทําให้เขาได้แจะส่งทําไปให้เขาไม่ได้ คำถามจากคุณโจครับน้ำระสการครับหลวงพ่อทําไมผมถึงคิดว่าผมพอแล้วมีความสุขแล้วผมก็เลยปล่อยชีวิตแบบง่ายๆไม่ยึดติดอะไรผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับก็อาจะเพราะว่าเรามีพอเพียงก็ได้ตอนนี้แต่เราก็จะคิดถึงความแม่นเที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตก็ได้ว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาดู ดูสภาพของคนเป็น ต, ตัวอย่างคนบางคนบางทีชีวิตเขาก็รุ่มเลยอย่างแล้วต่อมาชีวิตก็ตกต่ำได้งันเราก็ต้องคิดเผื่ออนาคตไม่ว่างว่าอนาคตมันไม่มีมันไม่มีอะไรเครี่ยงแท้แน่นอนถ้าเราคิดว่าเราสามารถที่จะสู้กับความเสือ่อมความอะไรของเราได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรจะปล่อยให้ชีวิตแบบง่ายๆไปอยู่ อยู่ยังไรก็อยู่ได้ก็เป็นก็ก็ดีไปกลัวว่าจะจะอยู่ไม่ได้เท่านั้นเองก็ต้องคิดถึงอนาคต ด, ด้วยว่าเรามีความแก่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความตายมีการทัานภาพวันใดวันหนึ่งแล้วอาจจะถูกท่านที่อยู่คนเดียวก็ได้แล้วเราจะอยู่ได้ไหมคําถามจากคุณล็อกเกอร์บอลครับ เครับมีบางทีหรือบ่อยครั้งพยายามจะเข้าสู่การนั่งสมาธิแต่ไม่สามารถที่จะเข้าสู่การนั่งสมาธิได้เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะเข้าสู่สมาธิครับ อ, อทํานัดกันไว้สิเหมือนกับเราไปหาหมอเนี่ยเราก็ต้องนัดกับหมอไปหมอกขาบอกมาเวลานี้สินะอันนี้ก็หมายกันล้วก็นัดเวลาไว้กับการนั่งสมาธินะเวลานี้เราจะนั่งสมาธินะพอถึงเวลาเราก็นั่งทางนีอ ถ้าเราไม่นัดเราไม่นัดเราไม่จัดเวลาไว้มันก็จะมีเรื่องอื่นมาดึงให้เราไปทําอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นต้องต้องบังคับตัวเราเองให้ให้ไปทําอ่านัดเวลากับการนั่งสมาธิอย่างนั้นเราในเบื้องต้นเราตอนที่เรายังไม่เคยนั่งสมาธิเลยเราก็อ่านหนังสือธรรมะอยู่มาประมาณเดือนกว่าๆมันอ่านนั่งสมาธิเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแล้ววันหนึ่งมันก็ฉุกคิดขึ้ น, นมา ่ยังไม่ได้นั่งสักทีวะอไม่ได้นั่งเอามาตอนนี้เลยเลยก็เลยบังคับให้มันนั่งตอนนั้นเลยทําไมนั่งไม่ได้ก็ตอนนี้ว่างๆอยทำไมไม่นั่งมันอยู่ที่เราท่นเองอยู่ที่เราที่จะจัดการกับตัวเราเองจัดการกับเวลาของเราถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่เอาจริงเอาจังมันก็หลอกออกไปเรื่อยๆมันก็บอกอไม่ว่างร้อนกันไปบ้างเย็นกันไปบ้างคิ้วบ้างวุ่นวายใจบ้างอะไรมันก็จะไม่ได้นั่งสักที เราต้องบังคับตัวเราเองเหมือนกับเราบังคับตัวเราให้ไปหาหมอเนี่ยหมอก็ต้องนัดเวลาถึงไหมเพราะถึงเวลาเราก็ต้องไปครับคําถามจ้าคุณเมตตารักครับหลวงพ่อครับผมฝึกสมาธิแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเล่นโซเชียลทำให้ไม่มีสติเท่าที่ควรครับควรทําอย่างไรครับอก็อย่าเล่นเด้ <c oughs> มันเล่ามันเล่นนะทําให้ไม่มีสติไม่เล่นมันทำไม ท็ามาเดินจงกรมไม่ดีกว่าเลยพุโทโธพุโทโธเดินจงกมพุโทโธพุโทโธนั่งสวดแทนทีะเล่นโซเชียลก็เล่นลสวดมนไปไม่ดีกว่าเ ล, เล่นบทสวดวนไปนิติพิโสไปจากคุณ JHY ครับอาจารย์การทำบุญกับโร fallen, งพยาบาลกับการทำสังฆทานอะไรได้บุญมากกว่ากันครับเคยได้ยินว่าทำบุญอนิสงส์แตกต่างกันในแต่ละระดับ เช่นทำกับคนทั่วไปได้น้อยกว่าทาบุญกับพระสง์พระอริยะพระพุทธเจ้าสังฆทานวิหารทานครับคือการทาบุญนี้มันได้ประโยชน์สองส่วนส่วนแรกคือที่ใจเราเวลาเราเสียสละแบ่งปันเช่นเงินก้อนหนึ่งห้าร้อยบาทให้โรงพยาบาลไปหรือให้วัดไปความรู้สึกที่ได้จากการเสียสละห้าร้อยบาทนี้เท่ากัน ส่วนประโยชน์ที่เราจะได้รับจากโรงพยาบาลกับทางวัดนี่ต่างกันกาไปทําบุญกับโรงพยาบาลแล้วก็า จ, จะมีโอกาสได้คุยกับหมอหมอก็ว่าตอนนี้โรค ก, กําลังระบาดนะเช่นเดลต้ากําลังมาแรงต้องพยายามป้องกันนะใส่หน้ากากอะไรหรือ ว, ว่าพยายามฉีดวัคซีนให้ได้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้จากโรงพยาบาลหรือจากหมอเวลาเราทําไปทําบุญกับโรงพยาบาล แต่ถ้าเราไปทํา บ, บุญกับวัดวัดที่มีพระอริยะอยู่ท่านก็จะบอกว่าทุกคนเกิดมาแล้วเดี๋ยวต้องแก่เจ็บตายนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานนั้เราต้องพิจารณาปลอมวางให้ได้ปฏิบัติปล่อยวางให้ได้เราก็จะได้ น, นิสสงต่างกันเราก็จะได้บรรลุเป็นพระอริยะสงได้เป็นพระสมวดาวังได้เพราะท่านสอนให้เราละร่างกายว่ามันไม่เที่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้จะได้ต่างกัน กับบุคคลที่เราไปทํำบุญด้วยบุคคลละเขามีอะไรสอนเราบอกเราเขาก็จะสอนเราบอกเราในสิ่งที่เขารู้ไปทําบุญกับหมอรับเราแล้วหมอจะพูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ทันทีใช่ไหมมาเว็บไซต์ของหมอนี่ก็มาเรื่องอะไรก็เรื่องโรคภัยดังนั้นใช่ไหมครับผมถ้ามาเว็บไซต์เราก็มีแต่เรื่องธรรมะเท่านั้นนี่ก็สิ่งที่เราจะได้รับแตกต่างกันแต่เบอร์จากให้คุณหมอห้าร้อยเบอร์จากเราห้าร้อยก็ ได้ความรู้สึกมีความสุขเท่ากันความสุขใจเท่ากันยังมีมีอนิสงส์สองอย่างอย่างหนึ่งเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันครับคุณสิทธอ่อนนะครับกับเรียนถามพระอาจารย์ตอนที่นั่งสมาธิจะเกิดสภาวะธรรมเป็นช่วงๆบางครั้งพรนั่งหลับตารู้สึกเกิดแสงสว่างจ้ามากตรงหนา้าผา และบางครั้งตอนนั่งสมาธิก็รู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นสะเทือนคงเครงคือสภาวะธรรมเป็นเช่นไรเจ้าคะก็เป็นจิตของเรานั่นแหละยินบางคนก็ผ่าดผลจิตบางคนก็เรียบง่ายบางคนจิตบางคนก็นั่งแล้วก็ไม่มีอาการอะไรแปลกๆบางคนนั่งแล้วก็อย่างเนี้ยผ่าดผลมีแสงสว่างมัางมีฟ้าล้องฟ้าถล่มทลายอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ไม่มีสติ ที่ยัอยู่กับรลมายใจอย่างต่อเนื่องหรืออยู่กับลมอยู่กับพุโทโธอย่างต่อเนื่องพอพังเผอขึ้นมาเดี๋ยวจิตมันก็สแสดงอาการต่างๆขึ้นมาได้แต่มันก็มันก็ไม่มีพิษมีภายอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราไปสนใจมันให้ความสําคัญกับมันแล้วขา้นการนั่งสมาธิของเราก็จะหยุดชะ ง, งักตรงนั้นจะไปต่อไม่ได้ถ้าเราต้องการจะไปต่อเราก็ต้องอย่าไปสนใจมกลับมาที่ลมกลับมาที่พุโทโธต่อ อันเดียวมันก็จาหมดไปเองหายไปเองคำถามจากคุณรักที่จะสอนครับกราบทรรมทศก า, การสอบถามพระอาจารย์ค่ะเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกพอทำไปนานๆมันหยุดกำหนดไม่ได้มีวิธีแก้ไหมคะก็ดีเสร็จที่ให้าำว่าให้กำหนดอยู่ให้อยู่กับลมไปเรื่อยๆมันไม่มีไม่มีมมพิษมีภัยตรงไหนการที่เรามีลมหายใจอยู่อยู่กับลมหายใจมันทำให้จิตเราไม่คล่งสั้นไม่วุ่นวายใจ ไม่ทราบว่าคําว่ากําหนดนี้หมายถึงอย่างไรถ้ากําหนดดูลมหายใจได้อย่างตอนนี้นนนก็เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรากรําหนดได้เราก็เลิกมันได้ถ้าเราไม่ต้องกําหนดแล้วก็แล้วก็ก็ ก, ก็ไปกําหนดอย่างอื่นก็ได้ไปกําหนดดูส่วนการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนก็ได้เช่นถ้าเรากําลังมาทำกับข้าวเราก็กมาเปลี่ยนมาดูที่การทํากับข้าวของเราก็ได้กําลังอาบน้ําแล้วก็กลับมาดูกําหนดการอาบน้ําแทนก็ได้ สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเรากําหนดหนมได้เราก็สามารถเปลี่ยนการกําหนดไปเปลี่ยนเป็นการอย่างอื่นได้ไม่มีปัญหาเลยคําถามจากคุณศิลป์ครับกราฟเลียนถามค่ะถ้าปฏิบัติสมาธิไม่ถึงอันปนาสมาธิก็ไม่ควรเดินปัญญาหรือเปล่าคะเดินก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่มีพลังพอที่จะไปใช้สู้กับกิเลสได้ งั้นถ้าเป็นไปได้พยายามชุ่มเทให้กับอับปปน า, าสมาธิก่อนดีกว่าถ้ามีอัปปน า, าสมาธิล้วค่อยไปทางปัญญาจะจะจะดีกว่าจะง่ายกว่าเพราะถ้ายังไม่มีอัปปน า, าสมาธิถึงแม่ร่วงมันทุกก็ยังหยุดไม่ได้ถึงแม้ว่าลูกเรานี้มันเป็นทุกข์ก็ยังอดที่จะไปทุกข์ของมันไม่ได้แต่ถ้าเจ็มีอัปปน า, าสมาธิแล้วจิตจะไม่ทุกข์กับลูกได้เพราะรู้ว่า เป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นอะไรจะเป็นจะตายนี้่เราห้ามเขาไม่ได้เราก็จะทำให้เราไม่ทุกข์กับเขาได้เพรัถ้าไม่มีอปนาสมาธิถึงแม่จะเห็นว่าลู ก, ลกเป็นทุกข์ก็จะอดที่จะไปไปไปหวังให้เขาไม่ทุกข์ให้ได้ยิ่งหวังไม่ให้เขาไม่ทุกข์ใจเราก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ คุณวลิพรครับการที่เราควบคุมอารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบจิตรู้ว่าโกรธรักหลงรู้แป๊บเดียวก็ปล่อยแต่ไม่หลงตามอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ถูกต้องไหมคะคุณว่ามันจะทําให้ได้อย่างต่อเนื่องนี่นเรื่องง่ายๆอาจจะปล่อยได้แต่พอไปเจอเรื่องแงรงๆก็มันก็อาจจะปล่อยไม่ได้ยังก็ต้องสังเกตว่าปล่อยได้หมดทุ ก, ทกเวลาหรือเปล่าปล่อยทุกอย่างได้ไหม ถ้าป่อยไม่ได้ก็ต้องมาพยายามปล่อยมันให้ได้จากคุณโจครับนักวิชการครับหลวงพ่อผมลูกชายคนเดียวของครอบครัวสวดมนต์นั่งสมาธิมานานแล้วแต่ไม่คิดจะบวชเลยครับผมมีความรู้สึกว่ามีสุขปีแล้วพอแล้วผมคิดผิดหรือเปล่าก็ไม่ผืดหรอกเหมือนคนที่มีเงินแสนก็พออยู่ได้แล้วตก็ไม่เป็นจาเป็นปจะต้องมีเงินล้านอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนอันนี้เป็นไม่ผิดหรอก แต่มันมีความสุขที่ดีกว่านี้อยู่นะรอเราอยู่ให้ความสุขที่เรามีอยตอนนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเนี่ยรอไปมันอาจจะไม่มีก็ได้มีความสุขที่แบบถาวรรอเราอยู่สูงกว่าความสุขที่เรามีอยู่ในตอนนี้แต่ถ้าเราคิดว่าเราพอใจก็ไม่มีใครมาบังคับเราได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของของแต่ละคนที่จะเลือกเอ คำถามจากคุณวันนาครับระหว่างฟังธรรมพระธรรมเทศนาเดินจงกรมไปด้วยได้ไหมเจ้าคะ่ะคือในอดีตมันไม่มีหูฟังไม่มีเครื่องใส่ที่เราสามารถถือไปแเดินไปได้ mm hmm. ก็ไม่มีธรรเนียมธรรเนียมในสมัยฟังธรรมสมัยก่อนเราต้องนั่งเฉยๆนั่งตั้งใจฟังแต่สมัยนี้ถ้าเราจะเดินจงกรมไปแล้วก็เปิดธรรมะแทนฟังไปด้วยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลย ก็ได้เหมือนกันแต่กลัวว่ามันอาจจะฟังแล้วมันไม่อาจจะไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการนั่งเฉยๆเวลาเดินหมดที่แล้วเราก็ต้องมาดูเรื่องการเดินของเราการฟังทําในช่วงนั้นก็อาจจะแบ่งไปกลับไปกลับมาก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มร้อยถ้าอยากจะได้ประโยชน์เต็มร้อยจากการฟังทว่าควรที่จะนั่งอยู่เฉยๆยดีกว่า จกคุณพัทครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีละอุปทานจากขันห้าทำให้เราออกจากอุปทานได้ครับขันห้าก็มีร่างกายแล้วก็เวทนาความรู้สึกนึกคิดซึ่งทั้งทั้งหมดนี้มันไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ก็มันก็เป็นร่างกายที่พ่อแม่ผลิตขึ้นมาให้เราเราเป็นผู้รู้สึกนึกคิดที่มา ม า, มารับร่างกายมาครอบครองร่างกายแต่เราก็ต้องสอนใจของเราว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปบังคับมันไม่ได้บังคับให้มันไม่เสื่อมไม่ได้บังคับให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แล้วก็เวท น, นาก็คือความเจ็บของร่างกายเราก็ไปห้ามมันไม่ได้เราต้อง เมื่อเราห้ามมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันความทุกข์ของเราเกิดจากการที่เราไปอยากให้มันไม่ไมเจ็บอยากให้มันไม่ตายนี้แต่เมื่อเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่ามันต้องเจ็บมันต้องตายเป็นธรรมดาแล้วก็ยอมรับความจริงอันนี้เราก็ถือว่าเราละอุปทานได้อุปทานก็คือความยึดว่าเป็นตัวเราของเรา มันเป็นอะไรเป็นตัวเราของเราเราก็อยากจะให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายนั่นเ้งแต่เมื่อเราเห็นได้ปัญญาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ต้องปล่อยวางเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปคําถามจ้าคุณประกายครับน้อมการรักการพระอาจารย์ขะเรียนถามเพราะเหตุใดถึงฝันเห็นญาติที่เสียชีวิตไปแล้วค่อนข้างบ่อยคะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะ ก็เป็นความคิดความนึกคิดของเราเนั่นเองอาจจะคิดถึงเขารักเขาชอบเขามันก็แล้วที่จะคิดถึงเขาไม่ได้ดังนั้นเองพอนอนหลับมันก็ความคิดนี่ก็กลายเป็นความฝันขึ้นมาคําถามจากคุณพรมพรครับการเรียนถามค่ะคนที่เข้าสมาธิได้ง่ายชอบฟังธรรมะปิตทิทุกครั้งที่ได้สวดมนต์ระอายเวลาจะทําเรื่องผิดศีและไม่กล้าถือไม่กล้าทําถือว่าเป็นคนที่มีกุศลมาแต่เดิมแล้วมาสร้างเพิ่มใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ก็มีมีมีกุศในระดับที่มีอยู่นี่แต่เราคนก็นมีต่างระดับกันมีมากมีน้อยไม่เท่ากันครับคําถามจากคุณสุรศักดิ์ครับกาบเบียนถามพระอาจารย์ครับกลางคืนนั่งสมาธิพุทโธพุทโธอยู่ข้างบ้านมีเสียงหมาหอนเสียวก็เสียว ก, กลัวก็กลัวควรทําอย่างไรดีครับก็ควรจะอยู่กับพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเสียงหมาหอน่ะ ไปตั้งคิดมันก็ยิ่งเสียวใหญ่มันก็ยิ่งกลัวใหญ่พยายามให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปให้ลืมเสียงนั้นไปแล้วความกลัวความเสียวก็จะหายไปคําถามจ้าคุณเบญจภาครับกาลธรรมสักกา ร, การถามค่ะตอนนี้สภาว่จิตใจไม่สงบเลยค่ะพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิแต่จิตยังไม่นิ่งหรืเสียทีคอยระแวงเรื่องเจ็บไข้จะทําอย่างไรเจ้าคะกราบสาธุเจ้าคะ่ะก็ส่วนน้อยไปนั่นเองสวนน้อยไปนั่งไม่นาน ถ้ายังไม่สงบก็ต้องสวดต่อไปนั่งต่อไปจนกว่ามันจะสงบเหมือนกับรับประทานยาแก้ปวดนี่่รับประทานไปเม็ดหนึ่งมันยังไม่หายปวดก็รับประทานสองเม็ดยังไม่หายก็เพิ่มไปสามเม็ดรับประทานไปเรื่อยๆเดี๋ยวอา ก, การปวดมันต้องหายไปอย่างแน่นอนอันนี้ก็เหมือนกันการสวดมนต์การนัสมาธิก็เป็นเหมือนการทานยาให้กับจิตใจธรรมโอสถ ในแต่เราอาจจะถานนิดเดียวแล้วก็หวังให้มันให้มั น, มนสงบหวังให้มันสบายแต่มันไม่สงบมันไม่สบายก็สแสดงว่าเราสวด น, น้อยไปนั่งสมาธิน้อยไปเราก็ต้องสวด ใ, ให้มากขึ้นทําให้มากขึ้นทท่านั้นเองเรื่องของตักกะเหตุและผลคําถามจากคุณฟิโอน้าครับการนั่งสมาธิทํามากมีความสุขมากทาทุกวันทําให้ใจมีความสุข จากคำแนะนําของจากหลวงพอ่อคําบริกรรมพุโทโธทีแรกจะฝืนใจตัวเองมากพอทําไปทุกวันเริ่มมีความสุขทําแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ข, ขอบคุณค่ะถูกต้องผลของเราก็คือความสุขที่ผลที่เราต้องการก็คือความสุขใจนี่นเองดีกว่าการไปหาสิ่ง ต, ต่างๆมาให้ความสุขกับเราจะต้องวุ่นวายกับการไปหาจะต้องเสียเงินเสียทองนี่เรานั่งเฉยๆอยู่ที่บ้านปลอดภัยเราใช้พุโทโธพุธโทโธไป จิตใกล้ศา ส, สมดในความสุขขึ้นมาได้คำํคำถามคําถามจากคุณสุธีรัตน์ครับพระอาจารย์กาเบรียนถามครับผมเคยโดนผีอัมบ่อยๆคือตอนหลับสนิทและก็มีสติรู้ตัวว่ามีเงาดํามาพักทับร่างทําให้กระดุกกระดิกตัวไม่ได้ต่อสู้กันสักครู่จนคลายออกไปหลังจากนั้นก็รู้สึกกลัวผีอยากถามว่านี่คือเวียญาณที่มาอัมเราใช่ไหมครับและเขาต้องการอะไรครับไม่ใช่หรอกเป็นเป็นอาการของจิตเราหลอกหลอนเราเอง ก็ให้มีสติรู้อยู่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงก่อขึ้นมาแล้วเดียวมันก็ดับไปอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะมาก็ปล่อยมันมาไม่ต้องไปกลัวมันให้รู้สักแต่ว่ารู้เวลามันปรากฏขึ้นมามันไม่สามารถทําลายเราได้ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจถ้าเรามีสติรู้ทันมันคําถามจากคุณอาริยาครับการนั่งสมาธิจําเป็นต้องสวดมนต์ก่อนไหมคะ ถ้านั่งไม่ได้นั่งสมาธิดูลมแล้วจินยังลอกแวกอย่างคิดเรื่องราวต่างๆมากมายก็สวดมนต์ไปก่อนเพื่อบรรเทาอาการลอกแวกอาการอาไม่สงบของความคิดคิดมากฟุ้งซ่านก็สวดมนต์ไปก่อนเพื่อบรรเทาความคิดให้มันน้อยลงไปจนสามารถมาดูลมหายใจได้ก็พอดูลมหายใจได้ก็ไม่ต้องสวดมนต์คำถามจากคุณน้ําทิพย์ครับ การรู้ทันจิตตัวเองนี้เป็นผลของสมาธิหรือเปล่าเจ้าคะเป็นผลของสตินถ้ามีสติเราจะเห็นความคิดของเราแล้วถ้าสติเรามากนี่เราจะรู้ทันทีเลยมันพอมันจะคิดแป๊ที่เรารู้ขึ้นมาก่อนแล้วมันก็มังจะคิดในทางที่ไม่ดีนแต่ถ้าเราไม่มีสตินี่ไม่รู้หรอกบางทีมันคิดแล้วมันก็พูดผ้าออกมาทำวาจาทางกายเลยก็ได้นั่นแสดงว่าขาดสติมาก ถ้าฝึกสติบ่อยๆแล้วเราจะมีผู้ที่จะคอยเฝ้าดูความคิดของเราอย่างใกลชิดคำถามจากคุณพิชัยครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับถ้าทํางานรับราชการแล้วกเกษียณก็จะมีเงินบํานาญที่ได้ทุกๆเดือนถ้าบวชเป็นพระหลังกเกษียณ น, นี้แล้วเงินบํานาญที่ได้รับจะผิดพระวินัยไหมครับเพราะเหมือนเป็นเงินตนเองครับอ๋อไม่ผิดแล้วเพราะเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเงินที่เราได้มา ไม่เสียหายตรงไหนคือที่ว่าเราอยากจะเก็บไว้หรือไม่เก็บไว้เท่านั้นเองถ้าเราไม่ต้องการเก็บไว้เราก็บริจาคให้กับคนอื่นไปให้พ่อให้แม่ไปให้ภรรยาให้ลูกไปก็ได้นีืถ้าไม่มีใครรับบริจาคก็จะบริจาคให้กับวัดไปก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับเงินทองคือคือพะวินัยนี้ไม่ได้ห้ามภิกษุให้มีเงินทองไว้ใช้ในกรณีจําเป็นได้ เียแต่ว่าไม่ให้รักษาเองไม่ให้เอาไปใช้เองให้ฝากไว้กับบุคคลที่เชื่อถือได้และเวลาเกิดมีความจําเป็นเช่นเราไม่รู้อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะญาติโยมไม่มีใครเข้ามาสนับสนุนเราเราก็อาจจะใช้เงินที่เรามีสํารองนี้เอาไปใช้ได้เพื่อที่มาดูแลรักษาร่างกาย คือเงินทองนี่ถ้าเอามาใช้กับการเป็นใช้ใช้สนับสนุนปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ขาดแคลนนี่ก็ถือว่าไม่เป็นสมรบริโภคเป็นสิ่งที่ส ม, มณระสามารถอามาใช้ได้แต่ถ้าเอาไปใช้เที่ยวอยู่วันระเบื่อก็เลยเช่ารถออกไปเที่ยวที่โน้น อ, อย่างนี้ก็ไม่ควรจะทํา เงินทองถ้าอนุญาตให้มีไว้ได้แต่ไม่ให้ครอบครองไว้ไม่ให้ไม่ให้เก็บไว้ที่ตนเองไม่ให้ถือเอาไปใช้เองเวลาต้องการของยาอย่างนี้ก็บอกให้ลูกศิษย์ไปซื้อให้เป็นขาดยาวิตามินไม่มีใครถวายวิตามินมานีเราก็บอกให้ลูกศิษย์ไปซื้อยาวิตามินมาได้ครับการมีทรัพย์นิมมีได้ตามหลักพระวินัย็นแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้พกพาไม่ให้ครอบครองไว้ในตัว ของตนเองนึ่ที่ในกุฏิเองนี่เป็นต้นแล้วใช้เองนึกอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเองนี่ไม่ได้ยังนี้ไม่ใช่เป็นวิสัยของนักบวชวิสัยของนักบวชนี่นไม่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทองเงินทองที่มีอยู่ให้ผู้อื่นเข้บริหารจัดการให้หรักษาให้แล้วถ้าต้องการก็บอกเขา <Okay. S 2> ซึ่งสมัยนี้เราก็มีธนาคารธนาคารนี่ก็เป็นเหมือนผู้ที่จะคอยรักษาเงินทองของเราเวลาเราต้องการเงินทองเดี๋ยวนี้ก็มี มีแอปเราสามารถสั่งให้เขาโอนเงินให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ได้เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พระธรรมได้คําถามจากคุณจตุรลนครับกลาปอาจารย์ครับมีวิธีสอนลูกๆให้ทําสมาธิทุกวันอย่างไรได้บ้างผมสอนลูกบ้างบางครั้งก่อนที่เขาจะนอนกันบ่อยครั้งที่ผมเริ่มสอนให้ดูลมหายใจเข้าออกเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเขาก็หาวนอนเสร็จแล้วครับเราก็ต้องช่วยเขาทำพร้พอมๆกันเลยถ้าเขาห่าวก็ช่วยให้เขาสวดมนต์ก่อน นั่งสวดมนต์ไปก่อนนั่งในท่าสมาธิแล้วสวดไปเลยก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องนั่งแบบพับเทียวแล้วพนมมือก็ได้นั่งขัดสมาธิแล้วก็บอกให้หลับตาแล้วก็สวดไปภายในใจแล้วออกเสียงก่อนก็ได้เราต้องพาเข้าสวดไปก่อนสองให้เขาสวดอินทรีย์โซอรหังสามมาสามพุทโธไปแต่ทําในท่าสมาธิมันจะได้ทําให้จิตมันไม่ต้องไม่ต้องเคลื่อนไหวมาก ถาเราต้องนั่งพนมมือกราบไหวแต่ละข้ามันอาจจะทําให้มันอ่จิตไม่สงบสงบยากกว่าการที่นั่งสมาธินั่งในข้ามขัดสมาธิแล้วก็สวดไปเลยพอสวดไปครบแล้วก็ลองนั่งดูลมหายใจต่อหรือลองนั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธต่อพอต้องการจะให้เขาท่องพุโทโธพุโทโธออกเสียงไปก่อนตามเราเสร็จแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้เราออกเสียงไปในใจไม่ได้ออกมาเสียงภายนอกดู ค่อยๆทาไปเป็นขั้นๆไปแต่เราต้องเป็นผู้นําไม่ใช่สอนให้เขาทาแล้วเรานั่งไปนั่งดูทีวีนี่มันไม่ได้พ่อทําอะไรลูกก็อย่าทำตามนั้นนะพ่อปลูกสอนลูกปลูกนะคําถามจะคุณอ้องอ่านไม่ออกครับรอาจารย์ครับขอไปทัก น, นะอโนงนอโนงอ๋ก อ, อกาศธรรมทักการอยากเรียนถามอาจารย์ว่าบุญละเอียดกับบุญหยาบทําบุญแบบไหนได้บุญมากกว่ากันคะ บุญละเอียดมันได้มากกว่าบุญละเอียดมันเป็นบุญที่อท้ายความสุขมากกว่าแต่มันก็ต้องผ่านบุญยาก่อนมันมีสามขั้นเนี่ยบุญที่เกิดจากการทำทานซึ่งเป็นส่วนยากกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็จะยากกว่าบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิบุญที่เกิดจากการเจริญปัญญาเพื่อตัดกิเลสได้เป็นบุญที่ละเอียดที่สุดให้ความสุขมากที่สุด แต่เขาต้ออาศัยบุญขั้นยากพาขึ้นไปสู่บุญขั้นละเอียดไม่ใช่จะข้ามกระโดดข้ามไปทําบุญที่ละเอียดทันทีโดยที่ไม่สามารถทําบุญที่อยากได้ถ้าบุญที่ยากยั ง, ยงทําไม่ได้จะไปทําบุญที่ละเอียดกว่าได้อย่างไรเพราะความยากง่ายมันก็ต่างกันด้วยบุญที่ยากยากว่ามันก็ทําง่ายกว่าบุญที่ละเอียดกว่านี่ทำบุญทําทานนี่มันง่ายกว่าการรักาษกศาศีลการรักษาศีลมง่ายกว่าการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็ง่ายกว่าการเจริญปัญญา เพื่อลากกี่เลยคำถามจากคุณเยาวภาครับนักมรรการเจ้าค่ะกราบรียนถามว่ามีลูกชายคนเดียวเขาไม่คิดจะบวชจะทําอย่างไรหรือพูดกับเขาอย่างไรเจ้าคะก็เป็นเรื่องของเขาเนี่ยเขาไม่บวชก็เรื่องของเขาถ้าเขาไม่มีแฟนก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่ใช่เรื่องของเราเ แต่ถ้าเราเห็นว่าดีเราก็แนะนำำํำเขาว่าการบวชยิน ด, ดีนะเป็นการไปเสริมความรู้เราต้องเข้าใจก่อนว่าการบวช ท, ที่ได้อย่างนี้เป็นการศึกษาเพื่อไปเรียนรู้เรื่องธรรมะที่จะสามารถเอามาใช้พัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้แต่ให้เขาเรู้ว่าเป็นเป็นไปเรียนพิเศษเนี่ยเื่อวิชาที่เ ร, เรียนทั้งโลกทํามะอะไรนี้มันมันยังขาดไม่คบรบบริบูรณ์ ถ้าเราไปบวชักษามเดือนนี้เราจะได้เรียนรู้วิชาทางธรรมถ้าเราจะทําให้สามารถมาพัฒนาจีชีวิตจิตใจของเราให้ดีขึ้นกว่าที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ได้ส่วนก็จะยินดีจะทำํำหรือไม่นี่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้คำถามจาคุณจอมชัยครับการทํากายสงบระงับคือส่วนหนึ่งของสมาธิไหมครับรอาจารย์ก็การสงบระงับก็คือจิต เวลานั่งสมาธิก็ต้องนั่งเฉยๆไม่ใช่ไปวิ่งสมาธิมันก็มันก็ไม่สงบเขาเรียกว่ากายวิเวกจิตถึงจะวิเวกกายต้องสงบก่อนแล้วจิตถึงจะสงบตามได้ถ้ากายยังไม่สงบกายยังเคลื่อนไหวอยู่ก็จะไม่สงบได้สงบบ้างแต่ไม่มากเท่ากับกายที่นิ่งการเดินจกกงกรมนี้ก็ได้ความสงบแต่ไม่ได้ความสงบเท่ากับการนั่งนั่งสมาธิ คำถามจะคุณถามครับนั่งสมาธิปวดขามากๆตั้งจิตอธิษฐานตายเป็นตายดูความปวดเกิดดับการปวดร่างกายเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงๆแขนขาเริ่มหายตัวหายลมหายใจก็ไม่มีไม่รู้อยู่ในอยู่ไหนสว่างสวยมีสภาพระรู้อย่างเดียวเราเป็นอาวากาศคืออะไรครับก็คือจิตสงบเหมืจิตปล่อยวางความปวด น, นั้นได้แยกแยกออกจากร่างกายได้ชัวร์ครับ คำถามจากคุณแพท์ครับขณะนั่งสมาธิบางครั้งเกิดความกลัวว่าจะต้องเจออะไรต่อไปทำให้ไม่ค่อยอยากนั่งต่อทำอย่างไรดีคะก็บอกว่าสิ่งที่จะเจอดีกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยเจอในโลกนี้มาก่อนสิ่งที่เราจะเจอก็คือความสงบที่เหนือกว่าความสับสนป่วนนี่คือผลที่เราจะได้จากการนั่งสมาธิส่วนพล อ, อื่นนี้อยากไปกังวลมันเป็นมันเป็นเรื่องที่บางทีเป็นคนปรุงแต่ง พูดแต่งกันขึ้นมาเองหรือนั่งแล้วแบบไม่มีสติพอเจอเพ้อฝันไปก็เกิดในพลอะไต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้าเรานั่งด้วยการมีสติเราจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาหรือมีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจิตเราจะนิ่งจะจิตเราจะไม่วุ่นวายไม่หวั่นกลัวกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาไม่มีอะไรที่น่ากลัวถ้านั่งดนั่งสมาธิแบบวิธีที่ถูกต้องคือนั่งด้วยการมีสติทานั่งต้องมีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไป และสิ่งที่เราจะได้เราเราอยู่ข้างหน้าก็คือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวกนั้นนีงครับคําถามจากคุณปุ๋งปิงครับการทำพิธีก า, การค่ะมีความรู้สึกเบื่บอๆผุดขึ้นในใจบ่อยๆจนเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตไม่อยากจะทําอะไรควรแก้ไขยอย่างไรดีคะเพราะจิตเราไม่สง บ, บจิตเรามีความอยากมากมันก็เลยเบื่อเวลาไม่ได้ของแปลกๆใหม่ๆขึ้นมามันก็เลยเบื่อถ้าไดาเจอแต่ของที่จําเจซ้ํซาก วิธีที่จะทำให้จิตหายเบื่อก็คือต้องหยุดความความอยากเหล่ า, านี้ด้วยการฝึกนั่งสมาธินั่งสมาธิหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้วอาการเบือ่อต่างๆก็จะหายไปจะคุณ Air h o m e s h อ p ครับกราบสอบถามครับเคยสงสัยว่าคนทั้งโลกมีจิตวิญญาณมากมายหลายคนแต่ทำไมเราถึงรู้สึกนึกคิดกับแค่ตัวเราครับก็เราก็รู้สึก ครับตัวเราเท่านั้นเราจะไปรู้กับคนคนอื่นได้อย่างไรเหมือนเราขับรถเราเราก็รู้แต่เรื่องของรถเราคนเดียวเราจะไปรู้เรื่องรถของคนอื่นได้อย่างไรจิตคอยจิตใครก็จิตมันนั่นนี่จะไปรู้เรื่องจิตของคนอื่นไม่ได้นอกจากเรามีพลังจิตพิเศษที่สามารถอาจจะไปอ่านวาลลจิตของผู้อื่นได้เอ๊ยคนที่กําลังคิดอะไรอยู่นี้บางคนมีความสามารถอย่างนี้ทําได้ แต่สำเราบคนทั่วไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปรู้เรื่องจิตของคนอื่นได้รู้เรื่องได้ก็เฉพาะจิตของตนเองเท่านั้นเองคำถามจากคุณสรรค์ครับกราบนรรส ก, การครับจิตกับใจเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าครับแล้วผมดูที่ใจพิจารณาที่ใจถูกต้องไหมครับตัวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเราแบ่งมันเป็นสองส่วนจิตเป็นผู้คิดใจเป็นผู้รู้แต่มันก็เป็นเป็นสิทธิเดียวกันทําหน้าที่สองหน้าที่ นนักู้รู้เป็นนักผู้คิดแต่บางทีเราก็ใช้คําว่าจิตกระจายแทนกันได้วันนี้ใจคิดฟุ้งซ่านก็ได้วันนี้จิตไม่สงบก็ได้งั้นอย่าไปอย่าไปถือสากับคําพูดสองคำนี้ถือว่าใช้แทนกันได้คํถาถามจ้าคุณโยชิครับกราบเรียนถามพอาจารย์ครับธรรมทานกับอภัยทานอันไหนเป็นทานสูงสุดพออธิบายได้ไหมครับเทานที่สูงสุดก็ต้องเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง่วงเพราะธรรมะนี้จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อภัยานนี้ก็จะทําให้เราหลุดพ้นได้เฉพาะในเรื่องที่ที่เฉพาะเรื่องเช่นเราโกรธแค้นโกดเคืองใครเราให้อภัยเขาเราก็จะหายทุกข์จากการโกรธแค้นโกรธเคืองกขได้แต่เราก็ยังมีเรื่องอื่นที่เราจะต้องทุกต่อไปอยู่แต่ถ้าได้ธรรมะนี้ธรรมะจะ ทำให้เราปล่อยวางทุกอย่างได้ให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกระดับได้ด้วยธรมธรมะั้นธรรมทานในย่อมเหนืออภัยทานขอไปด้วยถ้าเสียงดังครับอาจารย์ ค, ครับจากคุณการครับการทำสมาธิก่อนนอนโดยการนอนนิ่งๆไม่คิดอะไรไม่บริกรรมพุทโธผิดหรือใดจนหลับไปถือว่าเป็นการตอนทำเป็นการทำสมาธิไหมคะไม่เป็นหรอกเป็นการเป็นการ เป็นการทํานอนไม่ได้ทําสมาธิทำเพื่อให้นอนหลับถ้าทําสมาธินี้ต้องจิตต้องตื่นต้องรู้สึกตัวมีความสุขมีความสงบคนละอย่างกันจากคุณยุพินครับกลับเรียนถามค่ัเวลาใส่บาตกรวดน้ําให้ผู้ล่วงแล้วเราสามารถกรวดน้ําให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมคะไม่ได้หรอกคนที่มีชีวิตอยู่นี่เขาสามารถทําบุญของเขาเองได้บุญมากกว่าเยอะแยะ บุญที่เราทิศไปให้ผู้ที่รองรับนี้เป็นเซี่ยวหนึ่งของบุญที่เราทํานี้เท่านั้นเองเป็นคําทักทายเยอะครับมีคนกราบหลวงพ่อเยอะครับ mm hmm. จากคุณพรนิพาครับกราบพระอาจารย์เจ้าขาถ้านั่งสมาธิแล้วไม่ต้องการให้เกิดอภิน ญ, ญาต้องทําอย่างไรคะก็ออให้จิตสงบเนี่ยเมื่อจิตสงบแล้วถ้าจิต อ, อยากจะออกไปรู้เรื่องราวต่างๆก็ๆใช้สติดึงเอาไว้ แต่ถ้ามันเป็นวาสนาของเราที่จะไปลูกเข้าไปห้ามมันไม่ได้ของอย่างนี้บางทีเป็นของที่ติดตัวมาเป็นของเก่าซึ่งชาติก่นกอนๆอาจจะเคยเจออาจารย์ที่สอนให้เราฝึกอภิดยาก็ได้ันถ้ามันติดมากับใจเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เราคุมมันได้ถ้าเราไม่ต้องการใช้มันแล้วก็ดึงมันให้มันอยู่ในความสงบใช้สติดึงมันไว จริงๆก็เป็นของดีเหมือนกันครับอาจารย์ครับมีภิกษญาก็ดีใช่ไหมครับก็มันเบย์ต้องคุณต้องโทษถ้ารู้จักใช้มันหรือไม่ใช้มันถ้าถาไม่รู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์มันก็อาจจะทำให้เราหลงว่าเราเก่งเราวิเศษก็ได้อย่างพระเทวทันนี้ก็หลงตัวเองคิดว่าตัวเองมีภิกษนญามีความวิเศษ จะคุณเจษดาครับเวลาจัดสังกระทานเองนึกไม่ค่อยออกเลยค่ะว่ามีข้าของเครื่องใช้อะไรอีกบ้างที่พระท่านจำเป็นต้องใช้และญาติโยมไม่ค่อยถวายครับอาจารย์ถ้าโดยทั่วไปก็ทําใช้ของทั่วไปแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ของที่ใช้เป็นปกติทั่วไปส่วนของที่ท่านใช้เฉพาะนี้มันต้องรู้จักท่านคุยกับท่านหรือสังเกตดูว่าท่านใช้อะไร หรือถามท่านก็ได้อันนี้ถามได้ถ้าท่านรู้จักการสนับสนมนกันนะนี่พอถามท่านไดว่าท่านขาดแคลนอะไรหรือเปล่าคะนี้ก็ถามได้ท่านจะบอกไม่บอกก็เป็นเรื่องของท่านเองทีท่านบอกว่าไม่มีอะไรแล้วเพราะบริบูรณ์ก็แล้วก็แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลครับจากคุณโจครับนักพัฒนาครับหลวงพ่อผมกราบห้าครั้งมานานแล้วครับคือเพิ่มพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมผิดไหมครับ ไม่พืนเรากราบเจ็ดครั้งมาได้สิบครั้งมาได้เราอยากจะเคียดกราบผู้ที่มีก็คุณกับเรากราบสี่ครั้งก็กราบได้จักคุณอริยาครับบอกว่าขอคาอธิบายเรื่องการนอนสมาธิค่ะไม่มีหรอกการนอนสมาธิเป็นการนอนหลับโดยอ้างมาเป็นการนอนสมาธิยังเว้นว่าเวลาเจ็บไข้เดิ่ป่วยแล้วอยากจะทำใจให้สงบก็อยู่ในท่านอน แต่จิตไม่ไม่หลับจิตไม่หลับคือจิตมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานุ่มอยู่กับลมหายใจและเวลาจิตสงบก็รู้อยู่ว่าจิตสงบจิตเป็นโอเบขาจิตไม่ทูกกับความเจ็บคข้แดะปวดของร่างกายอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการนอนสมาธิแต่ถ้านอนเพื่อให้หลับแล้วก็เรียกว่านอนสมาธินี้ไม่ใช่ แต่คุณจารุพรครั บ, รบกล่าวธรรมสการ์พระอาจารย์ค่ะขอวิธีการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันอย่างไรคะในชีวิตประจําวันท่านก็สอนให้เราฝึกพรมวิหารสี่ให้มีพรมวิหารสี่ให้มีความเมตตากรุณาโนดิตาอุเบกขาแล้วแต่กรณีส่วนใหญ่ก็ให้ใช้เมตตาเป็นเป็นตัวนําเวลาพบปากาขายก็ยิ้มให้เขารหรือว่า มีของอะไรมาฝากเขาแบ่งปันให้กันอย่างนี้ก็ใช้ใช้เมตตาถ้าเราไปเจอกรณีที่จำเป็นจะต้องให้ความการุณาช่วยเหลือกันก็ช่วยเหลือไปเช่นคนนห้นคนนี้ขาดแคลนตกมาไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินซื้อข้าวซื้อปาลาเราก็ช่วยวแบ่งบริจาคเงินทอนไปให้เขาอันนี้ก็เป็นกรุณาหรือถ้าคนที่เรารู้จักหรนอคนเขาเกิดได้ดีได้ดีได้ ร, รับเลื่อนขั้นเรื่อนตำแหน่ง เราก็แสดงก่อนยินดีเรียกว่ามูทิตาอย่าไปอิจฉาอย่าไปอิจฉาที่สิยาเขาเไม่น่าจะได้เลยเนีย่ยนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาได้ไปแล้วก็นุโมทนายินดีไปเข้าดีกว่าเราให้ได้มีความสุขใจไปกับเขาด้วยแล้วถ้าเราไปเจอกรณีที่เขาทําที่เราช่วยเหลืออะไรเขาไม่ได้เลยเช่นเขาเป็นโรคมะเร็ง้วหมอบอกว่าขั้นสุดท้ายแล้วเดือเวลาอีกสองอาทิตย์นี้เรา อยากจะช่วยเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าอยากอยากเราช่วยไม่ได้อาจจะทุกข์ใจขึ้นมาก็ให้ทําใจใช้อุบเบกขาว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเป็นเรื่องธรรมดาคนเราเมื่อถึงเวลาก็จะต้องตายไปในที่สุดก็ตสอนใจให้รู้สึกยับยั้งอยากไปทุกข์กับสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้ช่วยเขาไม่ได้นี่ก็คือ เรียกพอ ม, มิหารสี่เมตตากรุณามมทิตาอุเบกขาที่เราควรจะมียืนอยู่กับใจเราในขณะที่เราดำเนินชีวิตในประจัาวันของเราถ้าเราจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์คำ ถ, ถามจากคุณมีมี่ครับไปดาบแล้วคุณหรอ โอที่บานไฟดับครับอาจารย์ แ, <ต>แปลกเลสนุปเลยดีกว่ามากคุมาคําตามสุดท้ายแล้วเดีาาย๋ยวคำตามสุดท้ายครับจากคุณมีมิครับนักวิชาการพระอาจารย์สอบถามควรวางใจอย่างไรดีเป็นมะเร็งในช่วงโควิดทําการรักษาลําบากกลัวทั้งติดโควิดกลัวทั้งมเงะเร็งโธสากลัวและกังวลแรงทุกวันควรทําความสงบให้มากใช่ไหมจกักนั่นไหมครับใช่ควรพ ย, ยายามทํำความสงบแล้วก็ปลงมา คนเราทุกคนเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายในที่สุดตายชา้าตายเร็วตายด้วยอะไรมันเป็นสิ่งที่เดีย่ยงเรียงไม่ได้เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดก็แล้วกันครับอาจารย์ไดอีกสักคนหนึ่งไหมครับได้ครับที่ว่าไฟดับเมื่อกี้ไฟที่บ้านดับเลอใช่ครับอาจารย์ครับดับไปสองที่เลยครับจากคุณธิตีมาข่าวสุดท้ายนะครับการทํางพิธการพระอาจารย์เจ้าขาและคุณหมอมีสองคำถามค่ะหนึ่ง การกราบสติปฐานสี่มีความสําคัญอย่างไรคะสองหากระหว่างเอาเอาเอาเทเรออะไรต้องกไม่มีการกราบสติปทานเนี่ยสติปานมีไว้ปฏิบัติไม่ได้มีไว้ให้กราบครั้นี้เปฏิบัติบูชาเด้วยการปฏิบัติตามคําสอนในสติปฐานสี่ให้เจริญสติให้นั่งสมาธิให้เจริญปัญญาอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติสติปฐานสี่ไม่ใช่เป็นการกราบสติปทานสี่ อหากระหว่างนั่งสมาธิแล้วมีมดไต่หรือแมลงไต่เข้าตาจะเข้าหูจะปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเจ้าคะถ้ามันคิดว่าจะเป็นไทถต่ร่างกายก็ไล่ลงไปเอามันออกไปก่อนก็ต้องต้องต้องเสียสมาธิไปในช่วงนั้นแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นอาการหลอกเราก็ปล่อยมันไปแล้วไม่ต้องไปสนใจมันเราจะได้ไม่เสียสมาธิ ก็แล้วแต่การว่ามันเป็นของจริงหรือของเราบางที่นั่งไปแล้วมันใจมันหลอกเราก็ได้ว่ามีมดต่อยกันไปแล้วมียุงกัดแล้วอะไรทั้งท่านี้มันไม่มีก็ได้ถ้าเราไปมัวไปคอยไปแก้ปัญหาทางร่างกายเราก็จะเสียสมาธิจิตของเราก็จะไม่สามารถเข้าสมาธิได้ในบางครัง้งบางคราวถ้าเราไม่ต้องการที่จะเสียสมาธิเราก็ต้องบอกว่าร่าการตอนนี้มันจะเป็นไรแค่ไมนเป็นไป อันนี้จะปล่อยวางง่ายกายแล้วมาหันมาเพื่อฝึกจิตใจเพียงอย่างเดียวอาจารย์ขอต่ออีกเท็กนิดนะครับมีคําถามจาก<ม>ดูแล้วจัดหน้าจะทุกใจครับอยากให้พอาจารย์ช่วยครับกลาวเรียนถามค่ะการเลิกรากับสามีทั้งที่ยังรักกันแต่อยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขเลยนั้นเป็นกรรมเก่าจากอดีตหรือเปล่าคะควรจะทําอย่างไรได้บ้างคะที่จะทําให้ทั้งตัวเราและเขาต่างอยู่กันอย่างสงบและช่วยกันเลี้ยงลูกครับอ๋อมันเป็นกรรมปัจจุบันไม่ใช่เป็นกรรมอดีตนะก็คือว่า จิตใจของเราการกระทําของเรานี่มันทําให้เราอยู่ด้วยกันไม่ได้ถึงแม้จะรักกันอยู่แต่พฤติกรรมของเรามันอาจจะขัดกันมันก็เลยทําให้อยู่แล้วไม่มีความสุขการจะอยู่ด้วยกันด้วยความสุขก็อย่างที่ว่าต้องพยายามประสานส่วนเหมือนแล้วก็สมวนส่วนต่างแล้วก็จะอยู่กันได้แต่ถ้าต่างคนต่างเอาใจตัวเองแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถึงแม้จะรักกันแต่อยากจะทำอะไรตามใจตัวเอง การทำใจตั้ใจตัวเราเองอาจจะไปทําไปขัดกับความรู้สึกของเขาก็ได้เรานั้นเราต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทําแล้วอมีความสุขก็ทําร่วมกันสิ่งไหนที่ทําแล้วมีความทุกข์ก็สมมติไว้เขาถึงมีคําที่พูดว่าให้ประสานส่วนอประสานส่วนเหมือนแล้วก็สมมตส่วนต่างแล้วก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข กับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับวันนี้มีคนฟังธรรมด้วยกันาจากทางเฟซบุ๊ก713คนจากยูทูบ687คนจากขับเฮาส์12คนครับวันนี้รวมกันฟังธรรมพร้อมกัน 1,412 คนนะครับอาจารย์ครับโอเคสาธุพนักงานทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังธรรมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์มากบ้างไม่มากก็น้อย ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำามาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพ่ยิล่นพิจานญาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญกล้าหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดขอลาคุณหมอไปเลยนะแล้วก็ถ้าไม่มีอุป่ภาคอะไรคงจะได้พบกันครั้งต่อไปในอาทิตย์หน้ า, าร planning, ครับขอบคุณพระอาจารย์ครับสวัสดีธรรมธรรมะสวรรคดี